อาจารย์ครับขอบพระส ก, กาปครับผมเจ ร, ริญกรทุกท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะนี้หวังว่าทุกคนคงสบายดีครับผมผมตอบแทนตอนนี้ผมสบายดีนะครับอาจารย์ครับ <laughs> อาจารย์ครับอวันนี้ผมขอเริ่มเลยนะครับอาจารย์ก็ทุกคนเนี่ยที่เกิดมาก็ล้วนแต่เกิดมาแล้วก็สแสวงหาความสุขนะครับอาจารย์ทีนี้ผมก็เลยอยากจะกลับเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วความสุข ในทางพุทธศา ส, สนาเนี่ยมองเรื่องของความสุขว่ายอย่างไรนะครับโดยคํำถามแรกขผมขอการาบถามพระอาจารย์ก่อนว่าความสุขคืออะไรครับพระอาจารย์ครับความสุขคือความสบายความไม่มีทุกข์ในทางศาสนานี่ความสุขอยู่ที่ใจที่สงบเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังที่ทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรามสุขขังเศกสุขเอิที่เหนือกว่าความสมุบไม่มีเอาว่าสุขเอยก็คือสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจาการเสบสัมผสัสรูปเสียงกลิน่นรสพวดาพานชนิดต่าง ความสุขเห่เป็นความสุขปลองเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เครือบหรือหุ้งห่อความทุกข์เอาไว้พอความสุขนั้นจากไปความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับน้ําตาลเครือบยาขมเวลาอมเข้าไปใหม่ๆยังมีรสหวานอยู่พอน้ําตาลที่เครือบยาขมนั้นลลายไปหมด ก็จะเจอขมลดของความขมของอยาฉันได้ความสุขทางโลกหรือโลกกระทำหรือลาบยศสรรเสริญลูกเสียงกิรยศโผฏฐพัชชนิดต่างๆนี้เป็นความสุขแบบน้ําตาลเครือบยาของความสุขเครือบความทุกข์ทุกคนจึงทุกข์กันร้องขมร้องร่าดกันเวลาสูญเสียความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงกิร แต่เนื่องจากมีอวิชชาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่ได้อยู่ที่ไหนจนต้องมาให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสอนความจริงอันนี้ให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากลาบยศเสริญจากเลกเสียงเกลื่นปทพะให้มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาคือสมถาภาวนาและวิปั ส, สนาภาวนาทำไมจึงต้องมีทั้งสองชนิดเพราะชนิดแรกนี้จะเป็นความสุขชั่วคราวยังไม่ถาวรจะทําให้ความสุขชั่วคราวนี้ถาวรต้องเจริญวิปั ส, สนาภาวนาดังนั้นจึงมีสองระดับด้วยกันระดับแรก ของความสงบคือใช้สติเมื่อได้ความสงบจากสติแล้วขั้นต่อไปก็ให้เจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกทำลายที่จะมาคอยทำลายความสงบนั้นด้วยปัญญาคือด้วยการเห็นใจลักในสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการว่าเป็นของชั่วคราว ว่าจะนำความทุกข์มาให้ต่อไปเวลามันหมดลงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถไปห้ามไม่ให้มันหมดได้อันนี้คือใตรักอนิจาัทุกขังอนตัตตานี่คือวิธีหาความสุขทามพระพุทธศาสนาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจขั้นต้นในการเจริญสตินั่งสมาธิขั้นที่สองหลังจากได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่างๆให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะไม่ใช่เป็นของเราไม่สามารถอยู่กับเราไปได้ตลอดนี่เรื่องของความสุขทางพระพุทธศาสนาให้หาอะไรตัวเราในใจของเรานี่ ก็ทุกคนก็มีโอกาสที是是่จะได้รับสัมผัสกับความสุขชนิดนี้ทุกคนใช่ไหมครับอาจารย์ทุกคนถ้าทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยพระสาวกทั้งหลายนี่ก็มีมามีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นคนชราเป็นนักบวชหรือผู้คลองเลยกันผู้ใดที่ได้ยินได้คําธรรมของพระพุทธเจ้าและเข้าใจ ว่าต้องกระทาอะไรแล้วน้อมนําออกไปปฏิบัติได้ก็จะได้ถึงความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เราเรียกว่าพระนิพพานนี่นิ่บาลังบามังสุขเข า, ามสุขที่เป็นความสุขสุดยอดคือความสุขของพระนิพพานคือใจที่สงบสงบระมักจาก ความอยากต่างๆเป็นใจที่ไม่มีความอยากไม่มีกิเลสกันหานวความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจพอได้กําจัดด้วยปัญญาคือไจหลักกลับครั ค, รรรคุณพระอาจารย์ครับพอาจารย์ครับงั้นผมจะอ่านคําถามจากเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาถามบ้างนะครับอันนี้เป็นภาษา ญ, ญี่ปุ่นนะครับท่านได้ออกครับกลับเรียนถามพระอาจารย์สุชาติว่า การวางใจให้ไม่กลัวตายในยุคโควิดระบาดควรวางใจไว้อย่างไรดีคะก็เฉยๆเพราะเราไปทำอะไรไม่ได้เหมือนกับเราเฉยกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าฝนจะตกเราก็ต้องเฉยเราไปห้ามฝนไม่ได้น้ำจะท่วมเราก็าต้องเฉยถ้าเราไปวุ่นวายใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่ได้ไปเ ป, เปลี่ยนแปลงความจริง ฝนก็ยังตกอยู่น้ก็ยังท่วอยู่แต่ปะนะัญหาคือเราไม่เคยฝึกใจของเราให้เฉยกันใจเรามั่จใจมีปฏิกิริยารามชัากลัวหลงเป็นนิสัยเราจึงต้องมาฝึกสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเทาเวลาใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วใจจะรางับความโลภความรักความชังความกลัวความหลงได้ พยายามฝึกสมาธิฝึกสติให้มากๆแล้วจะสามารถวางใจให้ไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรทั้งหมดได้เพราะว่าอะไรจะเกิดก็เป็นสิ่งที่เราห้ามตัวไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับเขาได้ถ้าเรามีสติมีปัญญา อาจารย์ครับมีชาวต่างชาติมาเดี๋ยวผมขอตอบเขอที่หึงครับคุณเฟเซียชามี a s questions in English yes you can in English ครับ้อาจารย์ก็จะตอบเม่ตาตอบต่างประทให้นะครับเคยเข้ามาในห้องสูงนะเฟเซียาเาอยากจะถามต่อครับเฟรเซีย you can ask in English คุณธีรวัดครับ เรียนถามหลวงปู่ครับถ้าจะนั่งสมาธิศีลเราจะต้องปริสุทดใช่ไหมครับสมาธิจึงจะ บ, บังเกิดผลก็เวลานั่งเราก็มีศีลอยู่สุวนหนใช่ไหมเพรเวลานั่งเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้รักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้เหน็บสุร่ายามากเราก็นั่งได้เวลานั่งนี่เฉยๆนี่เราก็ถือว่ามีศีลนะไม่ได้ว่าจะนั่งได้นานเท่าไหร่นั้นเอง ยังเกิดความอยากขึ้นมาก็า จ, จะทนนั่งตอบไปไม่ได้เท่านั้นเอง ค, คำถามจากคุณคิลลี่คิลลี่ครับความสุขแท้กับความสุขจอมปลอมต่างกันอย่างไรคะความสุขแท้ก็คือความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาในขั้นที่ยังเสื่อมได้แล้วก็เป็นขั้นที่ไม่เสื่อมก็เป็นความสุขที่ถาวร ความสุขใจนี่มีสระดับระดับชั่วคราวคือสมาธิและระดับถาวรก็คือนิพพานอันนี้เป็นความสุขแท้ก็เป็นความสุขที่ไม่มีวันจืดจางไม่มีวันสิ้นสุดส่วนความสุขปรอมก็คือความสุขที่เราสัมผัสจากรากนนทรัศเสจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ เ, เราได้มาอะไรมาเราก็ดีใจวันสองวันนล้มันกหาไป เราไม่เราต้องไปหาใหม่อยู่เรื่อยๆมาเติมอยู่เรื่อยๆเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอนะหมายก่าว่าตุ่มที่ตุ่มน้ําที่เราเติมนี่มันมีรอยรัวย่วเติมเท่าไรเดี๋ยวมันก็พร่องพอมันพร่องแล้วไม่ต้องเติมอีกให้รอยรั่วที่ทําให้ตุ่มเราน้ำในใจเราพร่องความสงบในใจเราพร่องเกือก็คือตันหาความอยากนี่ความอยากในลาบยศเสนเสรดในลูกเสียงเก็บทั้งนี้มันไม่มีวันหมด ด้วยการตอบสนอความอยากเหล่านี้กับยิ่งเพิ่มทําให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นขึ้นเอย่างคาโมราณที่เขาพูดว่าได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาเป็นได้ในสิบก็อยากจะเป็นในร้อยไดในร้อยก็อยากจะเป็นในพันได้ในพันก็อยากจะเป็นในคนอยากจะเป็นเจน้าผไม่มีสิ้นสุดถ้าทําตามความอยาก ความสุขที่ได้มันเลยหมดไปเพราะความอยากใหม่มันเข้ามาแทนที่แล้วเราได้ในสิ่ใหม่ๆฉลองกันวันสองวันทีนี้อยากจะได้ในร้อยสิ่งเราอยากจะได้ในร้อยใจก็ไม่สงบนะไม่ไม่สุขนะ น, น, นี่คือความสุขปลอมเป็นอย่างนี้ความสุขจากราบลดสรรเสริญ จ, จากการเสพ ร, รูปเสียงจิ่นลดต่างๆแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วคราวแต่เราสามารถเริมได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราเข้าสมาธิเป็นเวลาเราออกมาพอความสุขที่ได้จากสมาธิจากไปแล้วก็กลับเข้าไปสมาธินหม่ไม่ต้องไปหาอะไรภายนอกอันนี้เป็นของที่แน่นอนเพราะม่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาและยิ่งถ้าเราได้ความสุขระดับถาวรแล้วก็ไม่ต้องไปหาไม่ต้องเข้าสมาธิไห น, อ, นอยู่ อ๋ออย่างพระอาหารหันต์นี้ท่านก็ไม่ได้จาเป็นต้องเข้าสมาธิแล้วไม่ต้องเข้าแต่ท่านเข้าก็เพื่อพักผ่อนตามวิทยาศาสของท่านบาที่จิตท่านเหนื่อยทนะ่านก็พักผ่อนบางที่ใช้ใช้จิตมากบางทีแสดงตามประเทศศนาอะไรมันก็ต้องใช้จิตใช้แล้วก็อาจจะเหนื่อยก็พักมือนกับพักร่างกายแต่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปหาความสงบเพราะมันมันสงบอยู่ภายใ ครับคำถามจากคุณรัชยาครับนักวิชการพระอาจารย์คาขอโอกาสถามเวลาปฏิบัติธรรมเมื่อเกิดปิติไม่ได้หมายถึงการเกิดความสุขใช่ไหมคะเช่นอาการขนลุกหรือตัวเบาก็สังเกตว่าจิตไม่ได้เกิดความสุขแค่รู้เท่านั้นเข้าใจถูกไหมคะมันก็เป็นความสุขแบบหนึ่งแต่เป็นความสุขแบบชัวว่วคราวปิติสุขนะพอปิติหายไปสุขนั่นก็หายไป แต่เราต้องการเข้าไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบนิ่งของใจเราก็ต้องภาวนาต่อไปอย่าไปสนใจกับปิติที่เกิดขึ้นและปิตินี้ก็ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิใหม่ๆอาจจะเกิดแต่ต่อไปก็อาจจะไม่เกิดมันก็จะตรงไปที่ความสงบโดยตรงไปที่อุเบกขาเลย ขเขากัดแป๊บหนึงนะครับคนทักทายเข้ามาเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่จะกราบพระอาจารย์เยอะนะครับจากคุณตานานความเชื่อน่ารู้นะครับหนูนั่งหลักนําหลักธรรมไปใช้คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของทุกๆสิ่งทุกอย่างรอบตัวบนโลกยอมรับมันและอยู่กับปัจจุบันเช่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวและตับตัวให้อยู่กับมันให้ได้หนูทําถูกไหมเจ้าคะถ้าหนูไม่ทุกข์ก็ถู ก, ก และเป้าหมายก็คือทําให้ใจเราไม่ทุกกับการเปลี่ยนแปลงเพราะเราไปห้ามของไม่ได้รเราทุกข์ส่วนใหญ่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลง พ, พอเกิดความอยากมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามการเปลี่ยนแปลงได้เราก็ดักความอยากไปเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงคําถามจากคุณทีระครับ ในโลกนี้มีแต่สมมติทั้งสิ้นใช่ไหมครับแสดงว่าพวกเราถูกหลอกหรือหลงผิดให้เข้าใจว่าสิ่งสมมติเป็นของจริงๆงใช่ไหมครับใช่ของต่างๆในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเราก็มาตั้งชื่อมาสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วก็มีตำแหน่งมีฐานะมียศมีอะไรต่างๆแต่พอร่างกายมันสิ้นลหมหายใจ มันก็ละลายกับเกิดสูด่ในน้ำลมไฟไปเช่นเดียวกับวัตถุสิ่งของต่างๆมัก็เป็นมันก็มาจากดินน้ำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ ม, มีการผสมประสานกันมาคำถามจากคุณโตคิแพทครั บ, รบรกราบรรมศาการ์พระอาจารย์เจ้าคะ่ะขออนุญาตกราบพระอาจารย์มีคำถามกรณีตัวลูกอยู่ต่างประเทศหากลูกเสียชีวิตต้องส่งกระดูกกลับไทยเพื่อพิธีทางาศาสนาหรือเปล่าเจ้าคะ่ะ ไม่ต้้งหรอกการกระทำพิธีทางศาสนาก็เป็นเป็นการกำจัดร่างกายนั้เว่าเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ร่างกายเน่า แ, แล้วส่งกลิ่นเหม็นเด้เป็นอุปสรรคต่อผู้ได้เราก็เลยมีการกำจัดความจรงิงไม่ต้องมีพิธีอะไรก็ได้ตายไปก็โยนเตาวเผา เาไปทิ้งป่าสมัยก่อนก็เขาไปทิ้งป่าช้ากันแต่เนื่องจากว่าเรามีความเชื่อในเรื่องพิธีกรรมต่างๆเราเลยคิดว่าต้องมีการกระทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างเพื่อให้กับผู้ตายอันจริงคนตายนี้ไม่ได้อะไรจากการทำพิธีกรรมอย่างต่คนตายไม่รับรู้นะว่าอะไรเกิดขึ้นกับหน้านกายของเขาเนื้อใครมาทำอะไรให้กับหน้านกายของเขา เขาไม่รู้แล้วเหมือนคนนอนหลับนี่เขาไม่รู้เรื่องรูราเขาไปรับบุญรับบาปที่เขาได้ทำํำไปแต่เนื่องจากเรายัางอยากจะทําอะไรให้กับคนตายเราก็เลยคิดว่าทําบุญนี่มโนพระมาสวดมาอะไรกันไปอันนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องมีพิธีเพราะว่าเป้าหมายของงานศึกก็คือกำจัดร่างกายให้มันสิ้นซากไป แค่นั้นไม่เป็นมาเป็นภาระไม่เป็นเป็นปัญหาให้กับผู้อื่นต่อไปแค่นั้นเองคำถามจากคุณนาตยาครับแม่อายุมากแล้วแต่แม่ก็ยังไม่ค่อยปล่อยวางในเรื่องต่างๆมักเครียดเราเป็นลูกก็คอยบอกแม่ว่าปล่อยวางเสียบ้างแต่แม่ก็ยังทําไม่ได้จนเราปล่อยวางเองเลิกบอกแม่แบบนี้ทําถูกต้องไหมคะถูกต้องนะเราไปบอกแม่ให้ปล่อยว่างแล้นเราไม่ปล่อยวาง เราก็จะเป็นแม่ปูสอนลู่นปูนี่แม่ก็ย้อนกลับแล้วมึงไม่แล้วมึงไม่ปล่อยนะแล้วเธอไม่ปล่อยนะทำไมต้องมายุ่งกับเราด้วยคก็พูดพูดเป็นการเตือนใจแล้วเขาจะทําไม่ทําก็เรื่องของเขาจ บ, บผมคํถาถามจากคุณจุฬาลักษ์ครับกลับเรียนพระอาจารย์ถ้าเราเจอความสุขเราต้องวางเฉยไม่ยินดีนร้ายกับมันใช่ไหมเจ้าคะเราแต่เพียงรู้ใช่ไหมเจ้าคะ ก็ให้รู you you ้ว e ่าความสุขมันเป็นความสุขชั่วคราวยินดีเวลามันหมดก็จะเศร้าถ้าไม่ยินดีเวลามันหมดก็จะไม่เศร้าเช่นเดียวกับอความทุกข์ถ้ามันมาถ้าเราไปไม่ยินดีเราก็จะเราก็จะทุกข์ถ้าเราเฉยเฉยเราก็จะไม่ทุกข์หรือถ้าเรายินดีเราก็จะสุขแต่เราไม่ก็ชอบยินดีกับความทุกข์กันนัอ ถ้าเราหัดยินดีกับความทุกข์ได้ก็จะสบายอยู่ในโอกนี้กับความทุกข์ได้อย่างสบายเช่นพระนี่ท่านถูกสอนให้ยินดีกับความทุกข์ยากลํา บ, บากตา่างๆให้อยู่แบบอัตคัดขัดสนอยู่แบบทุกข์ยากลํา บ, บากเพื่อฝึกฝนจิตใจให้ให้ยินดีกับความทุกข์แล้วความทุกข์ก็เลยไม่ค่อยมามีปัญหากับกับผู้ปฏิบัติเท่าไหร่ คำถามจากคุณคิรินครับเรียนสอบถามหลวงปู่ค่ะหากเราคาดหวังสิ่งต่างๆแล้วเกิดทุกข์เราควรเริ่มฝึกอย่างไรบ้างคะเพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงก็อย่าไปคาดหวังเลยว่าต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้เราก็ดีใจเวลาเราไม่ได้เราก็เสียใจดังนั้นเราไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปคาดหวัง แต่ไม่ได้หมายควาว่าไม่ให้เราทําอะไรเราก็ยังทําทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่แต่ไม่หวังว่าจะต้องได้เสมอไปให้คิดว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้วันนี้ก็ทำต่อไปจนกว่ามันจะได้คําถามจากคุณพิมนพันธ์ครับกล่าวตามพิศีการพระอาจารย์กล่าวเรียนถามเจ้าค่ะถ้าเราอยู่กับคนที่คิดลบอยู่ตลอดเราจะอยู่กับคนประเภทนี้ต้องทําตัวอย่างไรคะ ก็ทำตัวเฉยๆอย่าไปสนใจเขาจะคิดลบก็เรื่องของเขาถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องอยู่กับเขาได้ก็ดีมีสุภาษิตท่านสอนไว้ว่าถ้าเราครบคนที่ฉลาดกว่าเราดีกว่าเราหรือเท่าเราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าคำ ถ, ถามจากคุณปูเค็มครับ ทานอาหารที่มีส่วนประกอบของมิริมและสาเกพวกอาหารญี่ปุ่นซึ่งจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมอยู่แบบนี้ผิดสีไหมคะตอนถือสี น, นึกถึงแต่เครื่องดื่มคะ่ะลืมนึกไปว่าในอาหารก็มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ค่ะคือถ้าจะถือตามตัวเลขตัวอักษรมันก็ผิดแม้แต่หยดเดียวก็ผิดแต่ว่ามันผิดมากผิดน้อยเหมือนผ้าเนี่ยมันขานมากขาดน้อยฮ ถ้ามีจุดหนึ่งขาดมันก็ยังใช้ได้ยังใส่ได้ยั ง, ยยงอันนี้ก็หมายกันถ้าเป็นของเล็กๆน้อย้อยที่ผสมอยู่ในอาหารถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เรามีเจตนาทำเองเช่นไปนานเลี้ยงหรือไปที่ไหนก็ทำอาหารเร้มีส่วนผสมอย่างนี้บ้างแล้วประทานก็ก็ผิดบ้างผิดศีลมากเล็กน้อยเพราะมันไม่ได้ทำให้เราเหมึนเบาไปอย่างใด แต่ถ้าอยากจะเลียเลี่ยงก็อยากไปรับประทานอาหารที่มีส่วนน้ำตาผสมอยู่เลแล้วกันจากคุณวริยาครับสอบถามเจ้าขาเวลามีแรงกระทบจากภายนอกเข้ามาเรานิ่งเฉยแต่อีกใจก็อยากจะโต้มันเถียงกันก็พยายามข่มตัวเองอยากถามว่าเราจะทำอย่างไรดีคะเพราะเราเรายังไม่นิ่งจริงเรานิ่งด้วยด้วยการสานึกด้วยการบังคับ เราต้องฝึกสมาธิให้มากๆให้จิสตสงบแล้วจิตจะนิ่งโดยธรรมชาติของเขาแล้วต่อไปมันจะนิ่งเองมันจะไม่มีการโตเถียงกันแต่ตอนนี้มันยังไม่นิ่งมันเพียงจะใช้ใช้เหตุผลสอนใจว่าเราควรจะนิ่งแต่กิเลสมันไม่ยอมนิ่งมันยังไม่ได้ถูกคำลัเของสติของสมาธิกดเอาไว้มันได้แสดงอาการต่อสู้ได้ แ้าถ้าฝึกสติฝึกสมาธิจนจิตเข้าสมาธิได้กิเลสก็จะถูกลังนับไปชั่วคราวแล้วก็จะนิ่งอย่างสบายไม่รู้สึกเดือดร้อนคำถามจากคุณแซมครับกราบธรรมศการพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วรู้สึกกลัวขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับคำ ถ, ถามเมื่อเรากลัวอะไรนะเวลาเรานอนหลับเราทำไมไม่เห็นกลัวนะ เวลานั่งหลับตามันก็ไม่ต่างกับเวลานอนหลับตาใช่ไเวลาเรานอนหลับตาเราก็หลับได้เวลานั่งหลับตาเราก็เราก็นั่งเหมือนเราเรานอนลับไม่มีอะไรน่ากลัวการนั่งสมาธิถ้ามีสติคอยควบคุมใจแต่ถ้านั่งแบบไม่มีสตินี่อาจจะมีภาพหรืออะไรที่น่ากลัวปรากฏขึ้นในขณะที่เรานั่งได้ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจกิเลสมันก็จะผลิต อะไรต่างๆขึ้นมามีทั้งภาพสวยก็มีภาพไม่สวยก็มีหน่าเกลียดหน้ากลัวก็มีอะไรก็มีนั่นแสดงว่าตอนนั้นไม่มีสติแล้วแต่ถ้านั่งแล้วมีสติเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆหรือเฝ้าดูลมหายใจไปอยู่ตลอดเวลาไม่ทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนี้รับประกรันได้ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเช่นปิติสุขแล้วก็สงบความสงบ ปรากฏขึ้นตามลำดับฉะนั้นไ ม, มีอะไรน่ากลัวจากการนั่งสมาธิเรากลัวไปเองเราคิดไปเองแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังจากผู้ที่เขาปฏิบัติอย่างวิธีถูกต้องแล้วก็จะรู้ว่ไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่ของดีๆน่าเราอยู่จากการนั่งสมาธิ คำถามจากคุณธีรเชษฐ์ครับความสุขคือกิเลสปัญหาหรือไม่ควรต้องทําจิตให้ว่างจากสุขและทุกต้องปฏิบัติอย่างไรครับคือความสุขหรือความทุกข์นี้มันเป็นสภาวะธรรมเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขสลับกับทุกข์สลับกับไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นปัญหามันเป็นปรากฏการทางใจ ่กิเลสตัณหาคือไปความรักไปความไปชอบเพื่อไปชันความสุขความทุกข์นี้ที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเพราะเวลาเราไม่ชอบความทุกข์เวลาโผล่ขึ้นมาใจเราก็จะต่อต้านพอต่อต้านมันก็สร้างความทุกข์อีกระดับหนึ่งขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหาใจเราจะไม่มีการต่อต้าน เวลาเกิดความทุกขึ้นมาใจก็จะรับรู้เฉยๆหรือเวลามีความสุขก็จะไม่มีความอยากได้ให้อยากให้ความสุขนั่นอยู่ไปนานๆเพราะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงของที่มาแล้วก็ต้องไปไม่ชา้าก็เร็วใจที่ไม่มีกิเลสตันหะก็จะเป็นใจที่เฉยๆสักแต่ว่ารู้รับรู้เฉยๆรับรู้ว่ามาเกิดขึ้นแ ล, แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่ามันก็ต้องผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็จะไม่ทุกข์กับการปรากฏกายของความสุขและทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ของเวทนาชนิดต่างๆนี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติสมาธิสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ซ้ำตัวนี่เป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง คำถามจากคุณอนุสรนครับขาโอกาสขอรับการน้อมนําไปในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับมานะในทางพุทธศาสนาที่ถูกต้องเช่นไรไม่ตาด้วยขอรับก็ให้เราลดมานะลงอัน่อให้พยายามทําให้มืีความอ่อนน้อมถ่อมตนพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทําใจทำตัวเราให้เหมือนปัตตีได้เนี่ยดีที่สุดถือเป็นเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบก็ไม่ถึงสาใครจะเหยียบย่ําเหยียบย่ำ ใครจะว่ากล่าวตำหนิทีเพียงใครจะเทของสปกบลงสู่ปัตถีปัตถีก็ไม่มีการตอบโต้แต่อย่างใดนั่นก็คือให้เราทําตัวให้ตัำที่สุดอย่าทําตัวสูงอย่าไปคิดว่าเออเรามีตําแหน่งมีฐานะมีเงินมีทองมีสกุลอะไรต่างๆนี้มันจะทําให้เรามีทิฐิแล้วพอเราถูกคนอื่น เราไม่ได้รับการตอบสนองตามที่เราคิดเราก็จะโกรธน่าจะเสียใจอย่างถ้าเราทําตัวเราเป็นเหมือนคนรับใช้เป็นแฉว์เราจะพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างจากเจ้านายถือว่าทุกคนเป็นเจ้านายเราเขาจะชมเราก็ได้เขาจะด่าเราก็ได้เขาจะอะไรเราก็ได้เราก็จะไม่ตอบโต้เราก็จะเฉยเฉยนั่นคือลดตัวลงให้ต่ำที่สุดถ้าที่จะทําได้ ทำตัวให้เป็นปฏิปีได้ดีที่สุดคำถามจะคุณโอเ n ครับการเรียนสอบถามพระอาจารย์ค่ะขณะเดินจงกรมเกิดมีความคิดที่เป็นอกุศลและกุศลแต่ความคิดดังกล่าวเหมือนลมวิ่งผ่านแต่ใจยังบริกรรมพุทโธอยู่แบบนี้แสดงว่าตัวเรายังมีสติอยู่ใช่ไหมคะับถ้ายังมีพุทโธอยู่ก็ยังมีสติอยู่แต่อาจจะไม่มีกาลังมากยิ่งปล่อยให้ความคิดที่เป็นกุศลหรืออกุศล โผลขึ้นมาได้แต่เราก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้เราสนใจอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธต่อไปช่วงแรกๆสติเรายังไม่มีกําลังมากจึงไม่สามารถห้ามความคิดต่างๆให้แทรกเข้ามาได้แตถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆแนละ้วสติเราจะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วต่อไปความคิดต่างๆจะไม่สามารถแทรกเข้ามาได้ดังนั้นถ้ามีความคิดแทรกเข้ามาในขณะที่ ภาวนาเดินยกมือและนั่งสมาธิก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับการเจริญสติของเราไม่ว่าจะเป็นพุโทโธการดูเท้าถ้านั่งก็ดูลมหายใจเป็นต้นให้อยู่ยกับสิ่งเหลนี้ไปเมื่อเดียวสติเรากำลังมากขึ้นมากขึ้นความคิดต่างๆที่แทรกเข้ามาก็จะหายไปเองคําถามจากคุณอภิดีครับ พระอาจารย์ค่ะเครียดเรื่องงานนอกจากมุมาณนะทํางานให้ให้เสร็จเตรียมตัวให้ดีแต่ก็ยังเครียดจะใช้ธรรมะข้อไหนจัดการได้คะก็ที่เป็นเครียดเพราะมีความอยากว่าอยากไปอยากทําไปตามหน้าที่ทํำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันก็จะไม่เครียดถ้าเราทําอะไรที่มันเนือบาดฝาแรงมันก็ทําให้เราเครียด ถ้าเราทํำอะไรพอดีพอดีกับกาลังพลังมันก็จะไม่เครียดเหมือนกับยกน้ําหนักเนี่ยถ้าเรายกน้ําหนักที่เรายกได้พอดีพอดีมันก็ไม่มันก็ไม่เครียดแต่ถ้าเราต้องน้ยกน้ําหนักที่หนักกว่าที่เรายกได้เราก็จะเครียดเป็นพรายารู้จักทางสายการพระเจ้าบอกว่าไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปให้พอดีกับความสามารถของเราคําถา ม, ถามจากคุณโยทินครับ ถ้าวันไหนเรารู้สึกฟุ้งมากควรฝืนนั่งต่อหรือทำอย่างไรคะพระอาจารย์ถ้าฝืนนั่งต่อได้ก็จะดีเพราะมันจะทำให้เราก้าวหน้าถ้าเราเลือกเราก็จะมาจุดมันก็จะมามาติดอยู่ตรงจุดนี้พอนั่งมาถึงจุดนี้ทุกครั้งก็จะถ้าเราอยากจะก้าวหน้าเราก็ต้องบุกมานะขอพูดโธไปข้าวนาทีสิบนาทีไม่ได้คิดถึงไม่ไม่ได้คิดถึงมันเรื่องอะไร ไม่ไปนสนใจกับความอยากจะรู้พุโทโธพุโทโธต่อไปยอมขาดใจไปกับพุโทโธดูหรือไม่ดีจิตอาจจะรวมเป็นสมาธิก็ได้คํถาถามจากคุณประพันธ์ครับนันสการพระอาจารย์ครับเรียนสอบถามเคยชินกับการใช้ความคิดมานานมากการสวดมนต์นั่งสมาธิให้หยุดคิดเพื่อให้จิตรวมสงบเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆควรจะทําอย่างไรให้มีความสุขจากความสงบในการทําสมาธิได้ครับ ถ้าชอบคิดก็ให้คิดทางปัญญาดูก็ได้เรียกว่าปัญญาอบมสมาธิให้คิดถึงสิ่งที่เรามีอยู่ว่าเป็นของชั่วคราวเช่นลาบลดสนเสริญความสุขที่เราได้จากสิ่ง ต, ต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวจะต้องหมดไปวันใดวันหนึ่งแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์แล้วเราก็จะ ไม่สามารถที่จะไปห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นได้เพราะทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาให้คิดแบบนี้ก็ได้ถ้าชอบใช้ความคิดให้คิดไปในทางปัญญาหรือให้คิดไปดูศึกษาเรื่องของร่างกายเราก็ได้ใช่เป็นเป็นนักศึกษาแพทย์ศึกษาอาการสาสิบสองของร่างกายเริ่องมาจากผมขึ้นไป ผมกอนนั่นปั้นหนังเนื้อแอนกระดูกเข้าไปดูอาการต่างๆภายใต้ผิวหนังกระดูกแอนเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทางอื่ตไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารกับเป็นต้นนี่ก็คือการคิดด้วยปัญญาคิดแบบนี้ก็จะทำให้ใจสงบ uk, ใจไม่ผวาสุขได้ คำถามจากคุณสิทธิทกรครับฝากคำถามเรื่องการปฏิบัติแน้คำบริกรรมพุโทโธอยู่กับจิตตลอดเวลามีอยู่ขณะหนึ่งกำลังเอนตัวเพื่อพักผ่อนเกิดเห็นใจรู้สว่างสวัยอยู่แล้วรำพึงขึ้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราอารมณ์ทั้งสิ้นไม่ใช่เราใจขมวดไปเอาอารมณ์มาเป็นเราใจเฉยๆอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยจนเผลอหลับไปตื่นมาใช้ชีวิตปกติภาวะเช่นนี้เกิดเป็นพักๆเมื่อกำหนดควรเจริญไปในทางใดต่อหรือมาผิดทางไหมครับ ก็ควรเอามาเจริญต่อเช่นหลังจากที่เราเติ่นขึ้นมาก็เอาสิ่งที่เราได้สัมผัสตอนนั้นมาเจริญต่อเช่นน้ำควรอยู่ในใจเราต่อไปว่าร่างกายไม่ใช่เราอารมณ์ทั้งสิ้นไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่อยู่ไม่ใช่เราแล้วเวลาใจไปยึดไปติตก็จะได้สอนมันว่าถ้ายึดจะติดก็จะทุกข์พอไม่ช้าก็เลยว่าจะต้องถูกเขา้าดึงล็อกจะต้องจากลงไป เอามาใช้ในกับชีวิตจริงการภาวนานี้เป็นเหมือนกับเป็นการซ้อมถ้าเป็นนัามวยก็ซ้อมช่องประสอบทรายซ้อ ม, มเพื่อที่เวลาเราขึ้นมาทีเจอคู่ต่อสู้คือกุเลตคือความหลงที่จะไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของเราเราจะได้ใช้ปัญญานี้มาแก้ทันทีพอไปถือว่าบ้านที่เป็นของเราก็ต้องบอกไม่ใช่ของเราออกแฟนเป็นของเราก็อบอกไม่ใช่ของเรา มันดีขึ้นเองเขาว่าจะจากเราไปอยู่กับคนอื่นก็ได้หรือจากไปที่อื่นก็ได้สายนี้ต้องสิ่งที่เราเห็นนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นธรรมะที่ที่ปรากฏขึ้นมามาสอนใจเราแล้วเราก็ควรที่จะหมั่นเอาธรรมะเหล่านี้มาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้เหลย เ, เ, เวลาที่เราไปยึดไปผิดกับอะไรเราก็จะได้ ใช้ธรรมะเหล่านี้ม า, มาระงับได้คำถามจากคุณเออริครับการรัชกาลพระอาจารย์ครับโดนแม่ตัดแม่ตัดลูกด้วยพยายามง้อแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้คุยกับแม่มาหนึ่งปีแล้วเราจะบาปมากไหมคะับไม่บาปแล้วมันเป็นการกระทําของแม่เขาแล้วความจริงมันก็ตัดไม่ได้แนละ้วความเป็นจริงแม่ก็ยังเป็นแม่ลูกก็ยังเป็นลูกอยู่อาจจะมีอารมณ์เลยไม่อยากจะ ติดต่อกับเราก็ไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นไปตามอัทยาศัยเวลามันย่อมรักษาแผลใจนะไม่ค่าก็เร็วเดี๋ยวก็คิดถึงเราเองแต่เราต้องพร้อมที่จะกลับไปเชื่อมต่อกันอย่าถือมานาทิฐิอย่าถือว่าเราถูกเราผิดเขาถูกเขาผิดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำทั้งคู่เพราะควรที่จะรักษาเมื่อี้กัน มากกว่ากจะมาแตกแยกครับคำถามจากคุณอมรรัตครับกราบถามพระอาจารย์ขา น, นูล่าออกจากงานมาเพราะหัวหน้าไม่ไม่สนับสนุนและให้คนมาทําแทนเราปัจจุบันหนูได้งานใหม่แล้วแต่จิตยังคิดถึงเรื่องงานที่เก่าที่ยังไม่ทําให้เสร็จทํายังไงให้หมดอะไรงานเก่าที่เรารักเมื่อเราหมดหนะ้าที่แล้วเราหมดสภาพค์ที่เราจะไปทำอะไรมันได้นะเราก็น้อง ยังรับความจิงคำถามจากคุณแคทครับการบำเพ็กา ร, กรพระอาจารย์เจ้าค่ะปกติชอบนอนฝันร้ายถ้าเกิดเวลาเราเจ็บป่วยแล้วหลับไปแล้วฝันร้ายเราจะไปทุกขติหรือเปล่าคะถ้าฝันร้ายก็หมายถึงทุกขตินะนี่อาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมที่เราบากที่เราทำไว้ยังมีสะสมอยู่ในใจเราจนถึงเป็นตัวส่งให้เราฝันร้ายกัน วิธีแก้ก็คือตอนนี้พยายามทําบุญให้มากๆขอนที่เราจะตายถ้าเราทําบุญจากสองน้อยมากกว่า บ, บาปเราก็จะเริ่มฝันดีแล้วเวลาเราตายกันเราก็จะไปสู่สุคติได้อย่าไม่สายเกินไปเพงั้นตอนนี้รีบทําบุญให้มากๆแล้วก็อยากทําบาปนึกลดการทําบาปให้น้อยลงให้มันน้อยกว่าการทําบุญให้บุญมีกําลังมากกว่าแล้วบุญจะเป็นผู้ ผ, ผลิตความฝันให้กับเรา คุณศาวิตรีครับถามพระอาจารย์การนำอถิคุณพ่อคุณแม่บรรจุใต้ฐานพระพุทธรูปและวางไว้บนหิ้งพระเหมาะสมถูกต้องหรือไม่คะก็ไม่มีข้อห้ามแต่อย่างไรจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้แต่โดยปกติเราก็มักจะไม่ไปไว้ในระดับเดียวกับพระพุทธรูปพอเราถือพระพทรูปสูงกว่าเราสูงกว่า พวกเราไม่ว่าจะเป็นคนที่ตายแล้วหรีนยนอยู่ก็ตามเราต้องเทิดทูนพ่อพุทธลูกพ่ะพุทธเจ้าเั้นถ้าเราจุดตั้งพ่อจะตั้งอัฐิของพ่อแม่ก็ให้อยู่ในระดับที่ต่ำของพุทธลูกก็แล้วกันคำถามเจ้าคุญจิรวันครับมีโรคประจําตัวที่รักษาไม่หายเป็นโรคพาร์กินสันครับจะทําอย่างไรหรือคิดอย่างไรให้ชีวิตจะดําเนินต่อไปมีความสุขคะ ก็ให้ยอมรับว่ามันเป็นวิบากกรรมแบบอะไรที่เราไม่สามารถที่จะไปไปเปลี่ยนแปลงได้เป็นเป็นเป็นผลที่เกิดจากการกระทาบาปในอดีตจึงส่งให้เรามาต้องามารับข้อรกรรมในปัจจุบันนี้หรืออาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของวิบากกรรมก็ได้เพราะเรื่องของร่างกายนี้อาจจะเป็นเรื่องความบกพร่องทางสรีระของร่างกายก็ได้ซึ่งก็ ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นความจริงอย่างนึ่งร่างกายมันก็ไม่เที่ยมร่างกายของผมทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็แล้วว่ต้องเจ็บไข้ใด้ป่วยเจ็บโลกใดโ่คหนึ่งก็หลายหลายโลกแล้วแต่แล้วแต่ร่างกายที่เราดูแลว่าเราดูแลดีหรือไม่ดีอันนี้ก็มีสว่วนแล้วอีกอย่างก็เรื่องของกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากพ่อแม่อีกอย่างก็เรื่องของสิ่งแวดล้ามอะไรต่างๆ งั้มันมีเหตุปัจจัยที่จะมาทําให้ร่างกายเราไม่สบายได้ง้นเราก็ต้องทําใจแล้วรับความจริงมันนี้ถ้าเรารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ ก, ก็อยู่กับมันไปก็ให้คิดว่า ด, ดีกว่าดีกว่าที่ยังไม่ตายแต่นอกแต่เราก็อยากสามารถที่จะทําความดีได้ฝึกสตินั่งสมาธิได้ให้มองผลด้านบวกอย่าไป ม, มองแต่ด้านลบ ทุกอย่างมันมีทั้งบวกมีทั้งลบถ้าเราบองแต่ด้านลบเราก็จะเศร้าใจทุกใจแต่แล้วถ้าเราสามารถคลิกมาดูด้านบวกได้เราก็จะมีความสุขได้หรืว ด, ดูคนที่เขาเจ็บมากกเราเรานึกมีอาการลาบากกว่าเราเช่นแขนขาดขาขาดนึกหูหลอกตาบอดแล้วเราก็ยัง ดีกว่าเขาเนอะให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าคนไม่ใค่อยเราก็จะไม่ทุกข์มากเกินไปคําถามจากคุณกดชกร ค, ครับปรารพระอาจารย์ค่ะขอรินถามบางครั้งการปฏิบัติของเราเรารู้สึกเบื่อห น, น่ายแต่พอเราเหมือนจะหลุดออกไปจากการปฏิบัติแต่ความรู้สึกของการปฏิบัติก็เข้ามาตัวนี้คืออะไรคะการนลวงพ่อาจารย์ครับมั น, นเป็นอารมณ์ เ, เบื่อ เ, เบื่ออยากอยาก ในเวลาเบื่อนี้เราต้องเรียจลสติพยายาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วมาอารมณ์เบื่อมันก็จะหายไปเพราะว่าเวลาเราไม่มีสติกิเลสมันจะมาสร้างอารมณ์เหล่านี้เพื่อให้เราเลิกปฏิบัติเพราะกิเลสมันชอบเดึงเราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันว่าเราเบื่อปฏิบัติเราก็ต้องเที่ยวดีกว่าไปกินไปดื่มอะไรดีกว่า อันนี้เป็นอุบายเป็นเล่นกลของกิเลสในอยางที่เราไม่คุมจิต ด, ด้วยสติเมื่อพอเราเริ่มมีอาการเหบื่อนี้เราต้องบอกตัวเราว่ามันเป็นสัญญาณบอกบอกว่าตอนนี้สติเราเริ่มบกพร่องแล้วเราต้องรีบกกสติขึ้นมาเหมือนมากวัดน้ํามันในรถเนี่ยพอมันเริ่มขึ้นขีดแดงขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับเตือนเราแล้วว่าถึงเวลาต้องรีบไปเติมน้ํามันแล้วงั้นเดี๋ยวน้ำมันจะ ยังให้เราคิดว่าอาการเบื่อนี้เป็นเหมือนมากเกินเราก็แล้วแต่เตือนเราว่าสติตอนนี้กําลังจะหมดแล้ว ร, ร, ร, ร, รีบสติรีพุทโธพุทโธรีบสวดมนต์เสียตั้งแต่บันนี้ไปแล้วเดี๋ยวอาการเบื่อได้มันก็จะหายไปคําถามเจ้คุณพักวันครับ ก, บกากรบรรพสการพระอาจารย์หนูมีความตั้งใจในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ยังไม่มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์มีแต่ปฏิบัติที่บ้านเท่านั้น ทำอย่างไรไม่ให้หลงทางในการปฏิบัติคะขอพระคุณค่ะเพราะเรามีครูบาอาจารย์ยิ่งใหญ่คือพอาาระพุทธเจ้าอยู่ในมนติปิฎกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถหาครูบาอาจารย์รูกนั้นลูกนีได้ก็เข้าหาพาาระพุทธเจ้าเนี่อาายอาาย่านพระสูตรสําคัญต่างๆซึ่งมีไม่กี่พระสูตรที่เราต้องอ่านกันเช่นธรรมจักรขปวทนาสูรนัตตะลักานัสูรอาทิตยสูรสติปัฏฐานสูตร แล้วก็มองมองคลประสศุเนี่ยถ้าได้อ่านประศุถ้าประศุนี้ก็แทบจะได้ความรู้ที่จะสอนให้เราปฏิบัติให้อยู่ในธรรมทางที่จะพาไปสูก่การหยุดทวนได้ยิ่คิดว่าคนยังก็หาพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าแล้วแล้วค่อยไปหาครูบ า, าจารย์ที่อื่นต่อไปเพื่อเราจะได้มีมาตรฐานวัดครูบาอาจารย์เป็นตัวว่าท่านสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ ถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์บางทีท่านอาจจะสอนผิดสอนถูกเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนด้วยการศึกษาพระสูตรต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้มีมาตรวัดคุ้คำสอนของครูบาอาจารย์ว่าอยู่ในแนวตาพระพุทธเจ้าทรงสังสอนหรือไม่พระสูต์เหล่านี้เราสามารถอ่านเป็นภาษาไทยได้ หรือถ้าเราอ่านภาษาอาังกฤษเป็นก็อ่าจเป็นภาษาอาังกฤษก็ได้ซึ่งภาษาอาังกฤษนี้มักจะอ่านง่เข้าใจง่ายกว่าภาษาไทยเพราะว่าอะไรเพราะเขาแปลตรงความหมายแต่ภาษาไทยนี้เราใช้ภาษาคําหมายคำคำเดียวแต่มีหลายคํำหมายเราก็อาจจะมองว่าหมายถึงคําไหนกันแน่งั้นถ้าอ่านภาษาอาังกฤษได้ก็ลองอ่านดูตอนที่เราเริ่มศึกษาเราก็อ่าน อ่าสติปัฏฐานสูงเป็นภาษาอังกฤษและอ่านเรื่องอันิจจังนุคขังหน้าตาเป็นภาษาอังกฤษอ่านเล่าถือว่าเข้าใจง่ายกว่านภาษาไทยคำถามจากคุณมนครับกบรรารบัรฑ์สการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้แม่อายุเก้าสิบสองปีแล้วมีพุทโทอยู่ประจำแต่ก็ฟังธรรมไม่เข้าใจเช่นนี้แล้วจะได้ปัญญาอย่างไรคะ และควรทำอย่างไรต่อดีคะและกราบขอโอกาสขอช่องทางทาบุญกับพระอาจารย์ด้วยค่ะตอนนี้อยู่ค่อนข้างไกลจะพาแม่ไปทาบุญก็ไม่สะดวกแต่ถ้ามีโอกาสก็คงจะไปอีกค่ะคื อ, อจะมาเรียนตอนอายุเก้าสิบสองมันก็นําบากเลยเพราะว่าสภาพของร่างกายเราไม่ความที่จะรับรู้อะไรต่างๆได้ก็สอนให้แม่พุทโธคาเดียวก็พอให้แม่ทาใจให้สดว ส่วนเรื่องปัญญานี้ก็สอนง่ายๆว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างไม่เที่ยมจะต้องมีการพักผ้าจากกันแค่นี้ก็พอแล้วปัญญาที่สําคัญย่อมมีเท่านี้แหละคุณชาวินครับกราบถามพระอาจารย์ครับเราเกิดขึ้นได้เฉพาะสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณเท่านั้นหรือเปล่าครับคือเราเนี่ยเป็นวิญญาณเราคือจิตใจนี่ผู้รู้ผู้กินนี่ เวลาร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็เรียกผู้รู้ผู้คิดนี้ว่าเป็นดงวดงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ก็จะไปหาร่างกายใหม่แต่ก่อนจะไปได้ร่างกายใหม่อาจจะต้องผ่านกระบวนการนับผลบุญผลบาตก่อนเช่นเป็นดงวงวิญญาณที่มีความสุขแล้วก็วเรียกว่าเทพเป็นดงวงวิญญาณที่มีความทุกข์แล้วก็เรียกว่าเปรต เรีกว่าผีแต่พออันิี้สองของบุญหรือแบบที่ได้ทําให้มหนุษยก์กำลังลงดงวิญญาณนี้ก็จะไปรอรับร่างกายแต่ได้ดงวิญญาณจะไม่ไปเกาะต้นไม้เพราะว่าดงวิญญาณนี้ต้องการสิ่งที่มีตาหูจมูกเล่นกายมันก็นจะไปเกาะที่ร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์ในราชาก็จะได้เสกโลกเสียงเก่งนนทผลทพัะตามความอยาก ที่ยังมีฝังอยู่ในจิตใจจะไม่ไปเกาะติดกับต้นไม้เกาะติดกับผ ล, ลไม้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่ไม่มีตาของจมูกนิ่งกายคำถามจากคุณปิยะบุตรครับกาบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมครับหากชาตินี้เราถือศีลและภาวนาแต่ชาตินี้เรารู้ตัวว่าเราไปไม่สุดแน่ๆเราต้องกลับมาเกิดอีกแน่ๆแล้วหากเราทําทานไว้ในโลกนี้น้อย ชาติต่อไปที่เราเกิดมาเราจะลําบากไหมครับเราจะต้องหาเลี้ยงปากท้องแล้วทําให้เรามีเวลาปฏิบัติธรรมน้อยกว่าการที่เราได้ทําทานไว้ในโลกมากพอไหมครับอันนี้ก็เป็นความก้าวใจเพ่งถ้าเราถือศีลและราวนาได้ชาติหน้าเรากลับมาแล้วก็จะมาถือศีลภาวนาต่อซึ่งเราอาจจะเกิดมายากจนแต่ความยากจนนี่กับเป็นสิ่งที่เสริมให้เราได้ไป ไปปฏิบัติธรรมเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆเราศึกษาประวัติของท่านหนึ่งส่วนใหญ่นี้ท่านเป็นเด็กยากจนเป็นลูกชาวนาชาวไร่เราเกิดมาพอมีอายุ บ, บวชได้ท่านเขาเขาพ่อแม่ก็ให้เป็นบวชเลยเพื่อได้ทิ้งหนีความยากจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าไม่ได้ทําบุญทาทานอาจจะไปเกิดเป็นลูกชาวนาชาวไร่ก็จะทําทให้เราไม่ต้องไปอไปศึกษา ไปร่ำไปรยวยเพราะคนร่ำรวยนี่จะบวชยากลองถามคุณหมอหน่ยคุณหมอมีการเป็นธรรมมีทรัพย์มมสมบัติเนี่ยจะไปบวชนี่มันมันไปยากกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเป็นทงองดังนั้นการเกิดชาติหน้าแล้วยากจนนี้ถ้าเราจะไปทางธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคนที่ ถือศีลนักภาวนานี้จะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลำบากเพราะเขาฝึกเขาอยู่กับความทุกข์ยากลำบากผู้ที่ถือศีลภานานี้ยเขาไม่ได้อยู่แบบสำอางเขาไม่ได้อยู่แบบร่ำรวยอยู่แบบฟุง่งเฟ้อเถื่อน เ, อ, เอยู่แบบประห ย, ยัดมั่ยใจเพะฉะนั้นการที่เขาไปเกิดเป็นคนยากจนนี้ไม่เป็นปนัญหาครับจะทําให้เขาไปบวญได้ง่ายขึ้น พราเขาไม่ต้องไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาคอยดูแลรักษาถ้าเกิดเราทำบุญทาทานไม่มากกรรมมาเกิดเป็นโรคเศรษฐีนี่ยากนะจะไปบวชได้ไหนก็มีข่าวเคยได้ยินขา่าวไหมมีภาพรูกหนึ่งเป็นลูกขึ้นมาเลยไทยได้ข่าวว่าพ่อเป็นมาาเศรษฐีของมาเลยครับแต่ท่านก็มีความมุมนะ่งมั่ะที่อยากจะบวช ได้ไปเจอครูบาอาจารย์เช่หนหลวงปู่ชาเข้าก็เลยมีกำลังใจก็เลยกล้าที่จะสละโอกาสที่จะได้รับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจากพญาไปนั้นก็ไป็นบทได้เน้นถ้าเราถือศีลและภาวนาถึงแม้ว่าเราจะไม่สำเร็จแต่เราจะมีพลังที่จะไปทำต่อได้แล้วมันก็จะทําให้เราไม่มายึดมัดติดกับความสุขความสบายทางร่างกายไม่มายึดมาติดกั บ, บทรัพย์มสมบัติเจ้า ข, ของเงินทอง เป็นพระพุทธเจ้านี่นพะระพุเจ้าถึงแม้จะมาเกิดเป็นพระราชามหากษัตรย์แต่จิตของท่านก็ฝ่ายการปฏิบัติอยู่ท่านก็เลยตัดการอยู่ในแบบสุขสบายง่าแล้วก็ไปอยู่แบบทุกข์ยากลาบากง่าเพราะบารมีของท่านแข็งบาง้าล้วไม่ต้องกลัวถ้าเราภาวนาได้จิตของเราจะเข้มแข็งกล้าหาญจะไม่ทุกข์ยากจะไม่กลัวกับความทุกข์ยากลำาก ทามาอยู่กับข้าวทุกอย่างลำบากได้อย่างสบายมันพยาา่าสะกุลระบุตอิองค์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ได้ก็เป็นลูกเศรษฐีใช่ไหมใช่ครับแต่ยากกว่าจะบวชได้เลยยเ<า>ื่อเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ขวางไม่ยอมให้ไปถึงก็ต้องอดข้าวเพื่อใ้มันปลอดทวงครับผมจนกระทั่ง <laughs> พ่อแม่ยอมอ ย, ยอมตายถ้าไม่ให้บวชก็ยอมอดข้าวตายถึงเข้าไปได้ คามจะคุณเมธาพรครับกาศธรรมสักการ์ผ้ า, าจา์เจ้าขาขอโอกาสถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วจิตเลื่อนลงเข้ามาในโพรงมืดมๆกว้างๆแต่รู้กายและลมหายใจตลอดเวลาคือสภาวะอะไรเจ้าคะพอจะออกจากสมาธิแล้วไม่ออกต้องหายใจแรงๆหลายครั้งจิตก็ออกทําให้กลัวต้องทําอย่างไรเจ้าคะและหลังๆกายหายเหลือแต่จิตครั้งแรกที่เป็นก็กลัวแต่ก็แบบนี้หลายครั้งแล้วถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆกายจะหายไปเลยหรือเปล่าเจ้าคะ ปกติจะสวดมนต์เดินจงกรมนั้งสมาธิและเจริญสติระหว่างเป็นเวลาหกเดือนทำทุกวันและปัจจุบันจิตจะเห็นกายได้มากขึ้นเหมือนจิตกับกายอยู่กันคนละส่วนกันกับความเมตตาครับก็เป็นกระบวนการของจิตที่จะเข้าสู่ความสงบนั่นเองแต่ว่ามันยังไม่เข้าเป็นสุขความสงบอย่างเต็มที่มันก็เลยทำให้เรายังเห็นนั่นเห็นนี่กระบวนการที่จะทำต่อไปก็คือให้ดูลมหายใจต่อไป เนื้อให้พุโทโธต่อไปเล ย, ยแล้วก็อาการต่างๆนี้มันก็จะหายไปเองดนั้นอย่าหยุดภาวนาอย่าหยุดการภาวนาพุโทโธหรืออย่าหยุดการดูลมายใจเวลาจิตมีอาการแตลกๆอะไรให้ปรากฏให้รับรู้ว่าให้รู้แล้วก็กลับมาภาวนาต่อเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เวลาเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แล้วจิตจะว่าจะเบาจะสบาย เป็นลูเบเกคร์จะมีความสุขอย่างยิ่งคำถามจากคุณจุทารัฐครับกบราบธรรมสการ์พระอาจารย์คะ่ะเราจ ะ, จะเจริญสติขณะกำลังทำงานได้ไหมคะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรกราบสาธุค่ะได้ก็ให้อยู่กับงานที่เราทำนั่นเองไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็ตามเริ่มตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยก็ได้พอตด็กขึ้นมาเราก็ต้องไปทางานในห้องน้าต้องไปล้างหน้าอาหน้าแปรงฟัน ก็ให้เฝ้าดูการทํางานเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการเจริญสติในขณะที่ทํางานเราสามารถจเจริญสติได้ตลอดทั้งวันเลยนั่งรถไปทํางานขับรถไปทํางานก็นมีสติอยู่งานขับรถคืออย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นวิธีการเจริญสติ คำถามสกคุณบุญชัยครับเรียนถามพระอาจารย์ครับขณะที่นั่งสมาธิห้าถึงสิบนาทีมันจะสงบนิ่งมากพิจารณากายสังขารในขณะที่นั่งมีแต่ลมหายใจเข้าออกทุกขณะแบบนี้ผมทําถูกไหมครับคือการนั่งสมาธินี่เราจะไม่ได้อยอกพิจารณาเราจะใช้การเพ่งเป็นหลักเพ่งเพ่งอยู่กับลมหายใจหรือเพ่งอยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธไม่พิจารณาไม่ไม่คิดปุ่มแต่ คำว่าพิจารณานี่มันหมายถึงปลุกแต่งานนี่ไม่อาจจะทำความเข้าใจอาจจะไม่ท่บ อ, อาจจะท่าเชื่อนนะเพะไม่พิจารณากายไม่พิจารณาสังขารไม่ให้ทําอะไรนอกจากดูลองหายใจเพียงอย่างเดียวจิตจะได้นิ่งจะได้สงบมากแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันก็จะชั ง, งนั่งอยู่ตรงนั้นมันจะไม่เข้าลุ้งไปกว่า น, นั้นได้ The Unity, คุณเดอะมัลติเวอร์รชวลยูนิตี้ครับออการาบพระพุทธเจ้าครับขอโอกาสครับถ้าฝันว่าไปทําบุญหรือบาปจะเกิดผลบุญบาปจากการกระทําในฝันนั้นไหมครับมันก็เป็นผลอ ย, อยู่ในตัวของมันแล้วเวลาเราฝันเรื่องดีก็คือเป็นเป็นเป็นผลของบุญที่เราทําไว้ถ้าเราฝันเรื่องไม่ดีแล้วก็เป็นผลจากการทําบาปของเราความฝันนี่แหละเป็นเป็นวิบากเป็นเหมือนหนังตัวอย่างเพราะว่ามัน เป็นเดี่ยวเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ตื่นแต่เวลาตายไปนี้มันจะฝันยาวเลยถ้าฝันดีมันก็จะฝันยาวไปเลยถ้าฝันร้ายมันก็จะฝันร้ายไปเลยนานไปเลยจนกว่า ม, มันจะหมดกําลังอาจารย์ครับสอบถามนิดนึงครับอย่างถ้าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็รักษาศีลปกติยังไงก็ไม่พิจารณาเไม่ทําบาปอยู่แล้วเงี้ยนะคะรับอาจารย์แต่บางทีพอในฝันเนี่ย เราเมันมีการตัดสินใจที่ยังผิดอยู่บ้างอย่างวนี้ก็แสดงว่าจิตเรามันยังไม่ไม่ถูกต้องตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์แต่พูดในที่ต่ อ, ตอไปที่คืออย่างตอนปกติอย่างเงี้ยครับอย่างผมเองก็ถือสีไม่ปกติคือผมไม่ละเมิดสีเล ย, ยนะครับอาจารย์ครับแต่บางวันเนี่ยถ้าฝันไปยังมีการตัดสินใจที่เหมือนจะละเมิดสีอยู่บ้างเงี้ยครับอย่างนี้ แ, แสดงว่าจิตของเรามันยังไม่ดีพอใช่ไหมครับอาจารย์ได้คือจิตใด้สำนึกของเรามันยังอยากจะทำบาปครับ มันถึงโผล่ขึ้นาเวลาที่เรานอนหลับฝันไปมันก็ดีอย่างมันเป็นเหมือนอินดิเคเตอร์บอกเราให้รู้ว่าเราต้องระมัดระวังเวลาที่เกิดความอยากที่จะทํำบาปเราก็ต้องสวดมันอย่าประมาทที่ว่าเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์แล้วคอันนี้มันแต่ลว่ายังมีเสือซ่อนเล็บอยู่นะซ่อนอหม่แล้วถ้ามันพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาเมื่อมีโอกาส คำถามจากคุณโสพิดาครับขอน้องกราบน้องสการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากถามเวลาโยมปฏิบัติธรรมหรือทําบุญให้ทานส่วนมากโยมจะขอความปรารถนาแห่งความพ้นทุกในทุกๆครั้งจะถือว่าเราจะมีความอย า, อยากอยู่หรือเปล่าขอพระคุณเจ้าค่ะคือหนึ่งต้องยากแยกก่อนนะว่าการขอนี่ไม่เกิดผลขอให้ได้ให้มันไม่เกิดผลมันเกิดผลจะเกิดจากการกระทําของเรา งั้นต้องขอก็ได้ไม่ขอก็ได้ไม่ไม่ไม่ไม่มีความหมายอยู่ที่ปฏิบัติไรือไม่ปฏิบัติทำหรือไม่ทำถ้าทำก็ได้ไม่ทำขออย่างไงก็ไม่ได้อันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่ถามว่ายังมีความอยากอยู่หรือไม่ก็มีอยู่แต่ความอยากแบบนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะฉันทะวิทยาณ ความอยากในธรรมนี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะเราต้องมีความอยากมันถึงจะทำให้เราได้ไปกระทาในสิ่งที่เราอยากได้ะถ้าเราไม่มีความอยากไปบลุพ้นทุกข์เราก็ไม่ไปปฏิบัติธรรมถ้าเราอยากจะไปบรรลุพ้นจากความทุกข์เราก็รู้ว่าเราต้องไปปฏิบัติธรรมนันด้นความอยากนี้มีความอยากที่ดีและความอยากที่ไม่ดีความอยากไม่ดีก็คือความอยากหาความสุขในโลกนี้ ความอยากได้ลาบยศแสนละแสนนี่ถือว่าเป็นคามอยากไม่ดีเพราะจะทําให้เราต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ความอยากไปทําบุญทําทานรักษาศีลภาวานานี่ถือว่าเป็นความอยากที่ดีเพราะจะนําพาเราสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองคำถามจากคุณสุมาลีครับบอกว่าเป็น H N P H N P คือหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับอาจารย์ นั่งสมาธินานไม่ได้นอนระลึกพุโทโธจะเผลอหลับง่ายขอคําแนะนําว่าควรทําอย่างไรให้อยู่กับพุโทโธได้นานคะกลับน้ำรสการพอาจารย์ค่ะก็ลองนอนตะแคงได้นอนตะแคงขวาท้าศีรษะสา ย, ยานมันก็จะนอนหลับยากยิงเอาเอาแขนเท้าศีรษได้ดีแล้วก็ลองทอนานในท่านั้นดูกได็ได้อ่านั่งไม่ได้แต่อยนอนนอนงายเมื่อนอนง่ายี่มันจะหลับง่าย เราในที่ท่าเสียาสายยาถ้าบอกเป็นท่าที่ทำให้เรานยังมีสติประกองใจอยู่คำ ถ, ถามจากคุณเดมารติเวอร์ซอลยูนิตี้นะครับถ้าสร้างรูปเคารพพระพุทธเจ้าไว้แล้วมีคนมากราบไหว้เราจะได้บุญจากการกราบไหว้พระพุทธรูปของเขาไหมครับไม่หรอกการกราบไหว้ของเขาเป็นบุญของเขาเราเพียงแต่แตอื้อให้เขาได้มีสิ่งกราบไหว้เท่านั้นเองแต่ความจริงถ้าจะกราบไหว้จริงๆไม่มีพบาะท่านรูปมันกราบได้ ครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่ในป่าในเขาท่านแม่งท่าูติดตัวไปท่านก็กลับไปในที่ที่ท่านคิดว่าเขาพระพุทธเจ้าอยู่รหร้อกลับไปในที่ที่ครูบาอาจารย์นื้อไม่จําเป็นว่าจะต้องมีพระพุทธรูปหรือไม่แะการสร้างของเท่าลูกของเราเราก็ได้บุญของเราแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการของที่มีคนมากราเหมือนกับว่ามีมีคนมาไลฟ์มากขึ้นแล้วควรจะได้ ได้บุญมากขึ้นมันไม่หรอกมันก็ได้บุญของคนแล้วเคยคนได้บ่อยจากสร้สางสร้างอพจะลกแล้วมันก็ได้ส่วนหนงไปแล้วแต่เวลาคนมากราบมากน้อยนี่นคุณไม่ได้เพิมคุณไม่ได้บุญเพิ่มจากการกราบไหว้กับพูดครับกดกดไลค์ไม่ได้บุญเพิ่มแต่ถ้าแชร์ไปได้บุญไหมครับอาจารย์ก็เป็นการแบง่งธรรมะเป็นการแบ่งธรรมะให้กับผู้อื่นก็น่าจะได้บุญเป็นการทําำธรรมทานต่อแบ่งธรรมะให้กับผู้ การให้กำลังชนะการให้กำปั้วจากคุณจารึกครับความรู้สึกที่ว่าไม่กลัวตายแต่กลัวทรมานแบบนี้เรียกว่าปล่อยวางได้หรือยังคะกับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะก็เป็นความสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์จริงๆว่าเราไม่กลัวตายจริงหรือเปล่าเพาอาจจะเป็นเพียงความคิดว่าเราไม่กลัวตายกลัวความทรมานแต่เรื่องเล่ามัน ก, ก, ก็ความตายกับความทรมา น, า ม, าา ม, ม, านมันก็อันเดียวกนนันเพราะเวลามันตายก็ต้องทรมานอยเมื่ยตาย คำถามจากคุณนาตยาครับพ่อแม่อายุมากแล้วเป็นความดันเบาหวานหมอห้ามทานอาหารหลายอย่างจนท่านดูไม่ค่อยมีความสุขในฐานะที่เป็นลูกอยากตามใจพ่อแม่ให้ทานได้ตามที่ชอบเพราะยังไงวันหนึ่งท่านต้องจากไปจากโลกนี้ทําแบบนี้ถูกต้องไหมคะถ้าท่านต้องการจนะรับประทานอะไรก็ปล่อยท่านตัดสินใจของท่านเองท่านจะเชื่อหมอหรือท่านจะเชื่อตัวท่านเองก็แล้วแต่ท่านเราไม่ควรที่จะไปขัดขัดใจท่าน คำถามตัวรีเฟรชไปเยอะนะครับอาจารย์ครับจากคุณอุศนีอุสรีครับกับพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคนมาทําร้ายจิตใจหนูคืออักตันยูจิตหนูขุ่นหนูพยายามให้อภัยปล่อยวางแต่เวลาเจอหน้าเขาแล้วสมองมันปี๊ดขึ้นมาแนะทําหนูให้ปมในใจที่ติดอยู่ที่จิตทํายังไงให้อภัยเขาเต็มร้อยเจ้าค่ะก็หนูต้องซ้อมให้ก่อนเวลาที่ยังให้เจอเขาคได้ถึงหน้าเขาเรื่อยๆแลวเวลานึกถึงหน้าเขาพยายามยิ้มให้เขา ซ้อมได้ของอันี้เหมือนการเหมือนกับการเล่นละครถ้าเราซ้อมบ่อยๆนึกถึงหน้าเขาบ่อยๆทุกครั้งที่เห็นหน้าเขาก็ยิ้มให้เขาอย่าปีกขึ้นมาซ้อมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่นึกถึ ง, ถงเห็นหน้าเขาก็ให้อภัยเขายิ้มให้เขาแล้วต่อไปเวลาเจอเขาแล้วก็จะยิ้มออกเรก็จะให้อภัยต้องซ้อมกับเขาอย่างนี้มันซ้อมได้ทําได้มันเหมือนนักบัวนั่งบัวเราต้องซ้อมชอบก่อน เล้วพอรู้จักวิธีชกที่ถูกต้องแล้เวลาขึ้นเวทีก็ชกได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาตออเชียร์คู COVID ่ต่อสู้แล้วก็ซ้อมชกก่อนที่เราจะขึ้นเวทีซ้อมยิ้ไม่ก่อนซ้อมให้อภัยเขาไว้ก่อนในพอถึงเวลาจริงๆเราก็จะทําได้คําถามจะคุณอมมี่ครับกล่าวเรียนถามอาจารย์ค่ะการปฏิบัติกรรมฐานสามารถปฏิบัติเองที่บ้านโดยที่ไม่ได้ไปขอเริ่มกรรมฐานกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ สามารถทําได้หรือไม่คะขอบพระคุณค่ะ <c oughs> คือครูบาอาจารย์ไม่บอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเราแต่ถ้าเรารู้วิธีที่ถูกต้องนั้นเราก็ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์อยูแล้วนั่นอยู่ที่ว่าเรารู้จักวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ว่าปฏิบัติอย่างไรเพราะถ้าไม่รู้จักวิธีนี่ถูกต้องปฏิบัติผิดก็อาจจะเกิดภาพเสียหายกับเราได้การมีครูบาอาจารย์นี่มันเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ต้องมีครูบาจารย์ที่สอนอย่างถูกต้องด้วยรเราไปเจอครูบาจารย์ที่สอนแบบผิดๆ ก, ก็ก็กลับเป็นโทษกับเราได้ดนั้นวิธีที่ถูกที่ดีที่สุดก็คือควรจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าก่อนอย่างที่เมื่อกี้ได้ตอบไปศึกษาพระสูตรหลักๆไว้มีมิสีห์ห้างพสูตรนี้เราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ใช้ได้มากเป็นเป็นตัววัดําสอนของผู้อื่นต่อไป วต้คําถามจากคุณดับิดปุ้ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการตกนรกลงกระทะทองแดงขึ้นสวรรค์มีเฉพาะาศาสนาพุทธส่วนาศาสนาอื่นเขามีนรกสวรรค์ของเขาหรือมารวมที่เดียวกันคะรวมที่เดียวกันเพราะมันเป็นความฝันเวลาเราเราฝันถึงเรื่องไม่ดีต่างๆอันนี้ก็เป็นเหมือนต ก, กนรกกระทะทองแดงเวลาเราฝันถึงเรื่องดีต่างๆก็เหมือนเราได้ขึ้นสวรรค์ นี่คือจิตใจของทุกคนไม่ว่าจะร่างถึงศาสนาใดก็ตามถูกบุญและบาปที่เขาทานี้เป็นตัวผลิตความฟังแตกต่างให้เขาได้รับผลเวลาที่เขาไม่มีร่างกายนะเวลาที่เขาไม่มีร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนเวลาที่เขานอนหลับดีๆ่อย่างงี้ค ถ, ถามจากคุณเปตองทีวีครับชาวพุทธไหว้เจ้าที่เทพเจ้าเทวดาแบบไม่อ้อนวอนไม่ขอพร อ, อะไรเลยได้ไหมครับอาจารย์ เจะว่ายก็ได้ไม่มีใครห้ามอะไรแล้วขอก็ได้แต่มันไม่ได้หรอกถ้าอยากจะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ห้ามพระพุทธเจ้าสอนให้เราอยู่ที่การกระทำของเรามากกว่าความสุขความทุกบความดีความชั่วนี่ไม่ได้อยู่ที่การไหว้ประเทศเทพเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราทำดีความสุขความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจ ถ้าเราทำบาปความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไหว้พระเทพเจ้าหรือไม่อ้อนวอนหรือไม่อ้อนวอนไ ม, ไม่ไม่มีผลใดอย่างใดคำถา ม, ถามจาคุณประยูนครับการนมัสการครับพระโพธิละใบลานเปล่าสุดท้ายเป็นพระอาหารหันต์ด้วยเหตุใดทำใจอย่างไรครับเพราะท่านคันแรกก็คือท่านละทิฐิ ความเห็นผิดของท่านท่านคิดว่าท่านรู้มากแนละ้วท่านศึกษาพระไตรปิฎกท่านคิดว่าท่านบรรลุธรรมแนละ้วจากการได้ศึกษาพระไตรปิฎกแต่พอพระพุทธเจ้ามาเตือนว่ายังเป็นใบร า, านเปล่าก็คือเหมือนใบประกาศไสยบัตรเปล่ายังไม่ได้ไม่มีมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นในใจของท่านเมื่อท่านได้ทราบอย่างนั้นท่านก็เลยไปสแสวงหาพระอรหันต์มาเป็นอาจารย์ ท่านรู้ว่าอาหารนี้จะรู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ท่านก็ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองว่าท่านมีความตั้งใจที่จะศึกษาจ ร, จริงๆหรือไม่ยินดีที่จะฟังครูบาเชื่อฟังคูบาอาจารย์หรือไม่ไม่ว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นจะมีอายุมากกว่าท่านหรือน้อยกว่าท่า น, นเขาเ ม, มื่อไหรโยนสมณเณรให้มาเป็นอาจารย์ดูซิว่า จะยอมรับสามเณรเป็นอาจารย์หรือไม่ถือแม้สามเณรจะมีอายุน้อยกว่าท่านหลายสิบปีแต่สามเณร น, นี้มีความมุ่มากกว่าท่านเพราะสามเณรก็เป็นพระล่ะท่านก็ยอมยอมรับเรื่อง่ายว่ายอมรับเอาสามเณรที่เป็นเด็กขึ้นนี้มาสอนท่านสนามเณรการจะสอนธรรมะก็ ก, ก, ก็ต้องให้พิสูจน์ก่อนดอกใช้ให้ไปทำอะไรต่างๆให้ล้างบาตให้กวาดถือปุตติ ทำอะไรหนักหาจนเห็นว่าท่านเชื่อฟังจริงๆสมณะเองก็สอนทำ ม, มาให้งา่ายเมื่อพอท่านได้ฝังปั้บท่านก็เข้าใจท่านก็สามารถบรรลุทําได้อย่างวรวดเร็วเพราะท่านได้ศึกษาปั้ไตายดีเด็กมาอย่างโชคเชิญทั้งรูหมดแล้วแต่ท่านไม่รู้จักวิธีเอาความรู่า น, น, นั้นมาปฏิบัติกับใจของท่านนั่ น, มมนเองเพราะสมณะบอกว่าเอามาไวา้เพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหล ง, ล ง, ลงล c. ท่านก็เข้าใจ ถามจากคุณพิทพงศ์ครับการน้ำมิส ก, การพระอาจารย์ขอเรียนสอบถามพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วฟังธรรมไปด้วยได้หรือไม่ครับคือการฟังธรรมนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทําทให้ใจเราสงบเป็นสมาธิได้แต่จะไม่สงบแบบรวมเป็นเข้าเข้าฌานแต่จะทําให้ใจเรานิ่งในระดับหนึ่งก็ได้ในระดับสมาธิได้ระดับถ้าอยากจะให้สงบมากกว่านั้นทั้นจะฟังธรรมเสร็จก็ให้ดูลมาหายใจกับ ใจมันจะเข้าสู่ความสง บ, บที่ดี ก, กว่าที่ได้จากการฟังธรรมคำถามจากคุณแสงวันครับถามนะคะพระอาจารย์เป็นผู้หญิงนั่งสวดมนต์ก่อนนอนแต่ไม่ได้นั่งพับเพียบถือว่าทําผิดกฎระเบียบไหมคะถ้าเราอยู่ตามบ้านขงเรานี่นั่งในท่าไหนก็ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่วัดในที่ที่เขามีระเบียบเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบท่านเองความจริงการสวดมนต์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจ ในิจใจไม่มีท่าเหมือนนั่งตายแต่เวลาเราไปอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเขาก็มักจะมีขนทมทำเนียนประเพณีที่สวยงามให้เราใช้ดับร่างกายของเราเราก็ต้องทําตามเพื่อให้ดูสวยงามเพื่อให้ดูว่าเรามีความเคารพเป็นต้นแต่ถ้าเราอยู่ตามลําพังของเราแล้วขอให้เราอยู่ในท่าไหนกระส่วนได้ท่านอนก็ส่วนได้ คำถามจากคุณสรันปรกรณครับกาศกนพัศ ก, การค่ะเ อ, อ่หลวงพ่อถ้าเรานอนหลับแล้วเราไม่ฝันอะไรเลยแสดงว่าเรามีจิตสงบใช่ไหมคะใช่ในช่วงนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตเราสงบตลอดเวลาหรือจิตเราอาจจะเหนื่อยก็ได้อาจจะเหนื่อยก็เลยไม่ฝันก็ได้ไม่แน่ก็ให้รู้ว่ามันไม่ฝันก็แล้วกันครับแต่โดยทั่วไปถ้าปฏิบัติธรรมมากจิตจะฝันน้อยเพราะจิตจะสงบมาก คำถามจากคุณวัชรพรครับการกลัวความตายเป็นบาปไหมคะเป็นทุกข์ไม่เป็นบาปบไม่ได้เป็นการกระทำบาปมันเป็นทุกข์ความกลัวที่ทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่กลัวเราจะไม่ทุดจากคุณสีภัยครับเย็นร้อนอ่อนแข็งของในกายเป็นผัสสะไหมครับได้เราเรียกว่าผลทัพภาคเนี่ย สิ่งที่มากระทบกับร่างกายของเราเนะี่ยเราเรียกว่าผลชาภะมาสัมผัสที่ร่างกายหรือไปในร่างกายของเราเองสัมผัสอยู่ในร่างกายก็ได้เท้าเสียอย่างนี้ก็เป็นผลชาพะอย่างปวดกระดูกปวดอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผลชาภะคําถา ม, ถามจากคุณมนครับพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนั่งสมาธิไม่รู้ว่ามีน้ำตาพอออกจากสมาธิถึงรู้ว่ามีน้ำตาไหลออกมามันคืออะไรเจ้าค่ะมันก็คือน้ําตาจะคืออะไร ก็ไม่ต้องเป็นไรไม่ต้องไปสนใจเรื่องว่าเป็นน้ําตาหรือว่ามันลังกระทันนั้นเองไม่มีปัญหาอะไรจากคุณอังเปาครับกล่าวตักสการ์พระอาจารย์ครับอยากทราบว่าการแชร์เกี่ยวกับเรื่องธรรมหะหรือโพสต์เกี่ยวกับเรื่องธรรมละลงในเฟซบุ๊กแล้วมีคนมาสาธุมาแชร์ม า, ชมากดไลค์บางคนกําลังเครียดพอเขาได้เข้ามาอ่านเกี่ยวกับธรรมะที่เราโพสต์เขาก็บอกว่ารู้สึกจิต ใ, ใจดีขึ้นมาเยอะบางคนพอได้อ่านก็ถึงกับปลื้มปิติยินดีกับโพสต์ของเราไปด้วย เราจะได้บุญจากการเผยแพร่ธรรมะไหมครับพระอาจารย์ได้เราก็จะมีความสุขใจที่เราเห็นว่าเราได้ช่วยเหลือคนอื่นทําให้เขาคลายความทุกข์ที่มีอยในใจของเขาได้เมือเราทราบเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นความสุขใจนี่เราเรียกว่าเป็นผลเป็นบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้คําถามสจกคุณอานิกาครับพระปวน ปราบเดินถามพระอาจารย์นะครับการที่เราทุ่มเทเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มีความสุขมากกว่าการทําบุญกับพระแต่เราก็แบ่งมาทําบุญทุกเดือนเพียงแต่เป็นส่วนน้อยมากๆแบบนี้ถือว่าเราเห็นแก่ตัวควรปรับปรุงให้เท่ากันที่ให้พ่อแม่หรือเปล่าคะไม่หรอกพ่อแม่ของเราก็เป็นพระของเราทําบุญกับพ่อแม่ก่อนทําบุญให้สมดูรณ์้เตก ท, ที่แล้วส่วนเดือก็อไปทํำกับวัดกับพู้นได้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านมักจะค่อยบอกญาติโยมอยืางเรียกว่า อย่าลืมทําบุญที่บ้านก่อนนะทําบุญที่บ้านให้ให้เรียบง้อยก่อนแล้วค่อยมาทําบุญที่วัดอย่าปล่อยให้พ่อแม่อยู่อย่างอดยาขาดแคลนแล้วถ้เาเงินที่ควรจะเลี้ยงพ่อแม่นี้ไปไปทําบุญที่ทำบุญอย่าพ่อแม่เราให้ท่านอยู่อย่างสุขสบายสมบูรณ์เต็มที่ก่อนแล้วถ้ามีส่วนเหลือเราก็ไปทําบุญที่อื่นได้ คำถามเจครูจอร์ดติติพงค์ครับน้องกราฟอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามวันนี้ขออนุญาตถามคำถามนอกเหนือการทำสมาธิครับมีคนให้คำแนะนำว่าควรจะหันพระประธานที่บ้านไปทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะทำให้การงานการค้าขายราบตื้นรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้จริงหรือเปล่าครับขอท่านอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับไม่จริงหรอกความเรื่องเรืองของเราอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่การทันพระพุทธรูกไปที่ใดทิศทางใดทิศทางไห อยูที่การกระทำถ้าอยากจะเลื่นโน้มเรียงลองไปศึกษามงคลวสูุอยู่มงคลสามสิบแปดอันนี้แหละเป็นเป็นสูตรของความจเจริญโน้เรียงของชีวิตจิตใจของเราคำถามจะคุณเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับน้องกาดอารักษารพระอาจารย์ครับแต่งงานมีครอบครัวอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการให้เงินใช้บ้างแต่แฟนไม่ให้เงิน ถ้าพูดเรื่องมีแฟนจะโกรธเลยตามใจแฟนเราจะบาปเลยครับรู้สึกผิดและทุกข์ใจเรื่องนี้มากครับเอเราไม่ผิดครับเข้าใจว่าเราก็ยังไม่ได้ทำบุนั่นเอแต่เราควรที่จะสามารถพูดแฟนให้เข้าใจได้ว่าอสมบัตินี้ก็เป็นของร่วมกันเครื่องหนึ่งเป็นของเขาอีกเครื่องหนึ่งเป็นของเราส่วนของเรานี่เราจะไปทําบุญที่ไปทําอะไรที่ไหนเขาไม่ควรที่จะอมาห้ามปราม แต้องคุยกันให้รู้เรื่องแต่แม้เก็เป็นคนที่ไม่มีเหตุไม่มีผลก็ทําแบบที่ไม่เขารู้ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องให้คขารู้สมเข้าไปว่าเราแบ่งเงินให้พ่อให้แม่แล้วเราแบ่งเงินให้ให้ให้คิดที่ไหนเราบอกแปฟนได้หรือเปล่าคําถามจากกุนฟิโอนาครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราการปฏิบัติธรรมของเราไปถึงขั้นพระโสดาบันแล้วคะ ถ้าเป็นสุภาษิตธรรมดาท่านจะปล่อยวางร่างกายนะคืออะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนินใจของท่านจะไม่หวั่นไหวร่างกายแก่ท่านก็ไม่หวั่นไหวร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดเช่นตอนที่ติดโควิดท่านก็ไม่หวั่นไหวร่างกายตายจากโควิดท่านก็เฉยเฉยมันดีเฟตหมดแล้วเลยคํับาจารย์อ๋อมีชิน้นีเยอะเลยครับพระอาจารย์แต่เขาถูกดีเฟตไปแล้วต้องเลื่อง<ช>ไงานะตองเลื่องงนะออหาครับ กับเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิพอนั่งไปสักเหมือนลมหายใจเราละเอียดจับไม่ได้เหมือนจะตายจริงๆแล้วถ้าอยู่ในสภาวะนี้แล้วเราจะนั่งต่อจะตายไหมครับไม่ตายหรอกเหมือนเป็นตามในที่เรายังมีสติอยู่นู้ตัวอยู่ไม่ตายงั้นคนที่นั่งสมาธิถึงจุดนั้นก็จะตายกันหมดเลยวไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิดูลมหายใจก็ก็ดูไปเวลาไม่มีลมให้ดูก็ดูความว่าง คุณไปตองทีวีครับไหว้พระจําเป็นต้องจุดธูปเทียนไหมครับไม่จําเป็นไหว้พระนี้สิ่งที่ต้องการก็คือสติหรือไหว้พระคือไหว้พร ะ, ะแบบต้องนับไหว้แบบส่วนบนตนะถึงจะได้สติถ้าไหว้พระแบบกราบสารทก็จะไม่ได้อะไรมานะมีแต่ได้แสดงความเคารพต่อพระบุญญะธิกานร คำถามจาคุณมนสิริครั บ, บการนักสการพระอาจารย์ค่ะขอวิธีให้อภัยผู้อื่นแบบเป็นขั้นตอนหน่อยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราให้อภัยเขาได้จริงๆคือเราต้องดูว่าระหว่างการให้อภัยกับการไม่ให้อภัยอย่างไหดีบกว่านถ้าเราไม่ใัยไม่ให้อภัยเขาใจของเราก็จะทุกข์ใจของเราก็จะร้อนอยเรื่อยๆอยากจะทำร้ายเขาอยากจะร้างแค้นเขาก็ทําทให้เรากินไม่ได้ แต่ถ้าเราให้อภัยก็ได้อคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันแเราอาจจะไปทำร้ายหรือไปทําอะไรไม่ดีกับเขามาในอดีตเขาก็เลยมาทวงคืนเมื่อเขาทวงคืนไปแล้วก็ถือว่าจบผลก็แล้วกันอพอเราไม่ไปคิดร้ายไม่ไปคิดที่จะไปทาําร้ายเขได้ใจเราก็สงบใจเราก็เย็นดังนั้นก็ให้เลือกต้องพิจารณาช่างน้ําหนักอว่าเราจะเอาความเครียดหรือจะเอาความสบายใจ ถ้าเราภัยแล้วใจเราก็จะสบายถ้าเราร่างแค้งอาฆาตพยาบาทใจเราก็จะทุกจะร้อนอยู่กินไม่ได้นอนไม่หลัคำถามสุขุนกราเจริญครับการเปลี่ยนาศาสนาหนีกรรมหนีทุกได้ไหมครับมีวิธีหนีกรรมเก่าไหมครับหรือให้เบาขึ้นกรรมเก่านี้ไม่ได้เลยกรรมหนีแต่กรรมใหม่ได้ด้วยการไม่ทำกรรม ถ้านั่งเฉยๆนั่นไม่ไปทํากรรมไม่ไปยุ่งอะไรกับใครไปทําอะไรให้ใครเที่ยวอะไรเดี๋ยร้อนก็ยังไม่มีกรรมใหม่มาราบรื่ต่อไปแล้วกการเปลี่ยนศาสนามีกรรมไม่ได้นะครับอาจารย์คือศาสนาหรือนนไม่ศาสนาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรรมมันอยู่ที่การกระทำทางกายวาจาใจไม่นันถือศาสนาไหนก็ยังไม่มีการกระทําทางกายวาจาใจถ้าเคยชอบกินเหล้าก็ยังอาจจะเคยกลับไปกินเล่าต่อ ชอบเล่นการ์ดวนนั้นก็ยังเปเล่นการ์ดวันนั้นต่อชอโคหกก็ยังไปโกหกต่อมันไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนศาสนาหรือไม่เปลี่ยนศาสนาเพราะทุกศาสนาก็สอนเหมือนกันในระดับสี่ศา ส, สนาก็สอนให้ไม่ให้ค่าสัตว์แม่เอพืชปิดตัวเองในทั้งนั้ น, น, นคำถามจ้าคุณนัทธนันครับกราบน้ำระสกา ร, บบ ร, ร, การพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างที่อยากได้จะได้บุญที่ได้ปฏิบัติหรือเปล่าคะ ไม่ได้หรอกการนิฐานนี่มันมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้เราได้สิ่งต่ตางๆสิ่งต่ตางๆเกิดขึ้นจากการกระทําของเราจากคุณอ่ อ, อนอ่อนแสอ้อนนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าขาถ้าเราฝันถึงคนที่รู้จักที่ตายแล้วไปเป็นเปรตมีทุกข์รวมถึงฝันเห็นคนที่ไม่รู้จักมีรูปร่างประหลาดมีทุกข์ถ้าเราใส่บาตรให้เขาจะได้รับส่วนบุญไหมคะหรือควรจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาคะขอบพระคุณค่ะ ก็การเจะเอาทิศบุญแบ่งบุญนี้ต้องเกิดจากการใส่บาตร ท, ทาบุญใส่บาตรหรือ ท, ทําทานอย่างไรอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นผลที่เกิดขึ้นได้ ท, ทันทีแต่การนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นการปลูกต้นไม้ซึ่งยังไม่ได้ออกดอกออกผลต้องใช้เวลามากนานกว่าจะได้ผลจากการนั่งสมาธิของเรา องค์เจ้าจึงไม่ได้สอนให้เราอุทิศบุญด้วยการนั่งสมาธิให้อุทิศบุญด้วยการทําทานใส่บาตรก็ดีถวายเงินทองให้กับวัดก็ดีอะไรติกตอ้องอันนี้ผลจะเกิดขึ้น ท, ทันทีสามารถแบ่งบุญได้ ท, ทันทีแต่บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมที่มันยังมันยังไม่เกิดมันเป็นเหมือนกับไปการปลูกต้นไม้ ต้องบรรลุธรรมนึกจิตต้องเข้าฌานเป็นสมาธิอย่างนั้นถึง จ, จะเกิดผลขึ้นม า, านนถ้าต้องการที่จะอบทิ้บุญให้เขาแบ่งบุญให้เขานี่ก็ควรจะทําทานอย่างไดอย่างหนส่วนการแผ่เมตตานี้เราต้องแผ่ตอนที่เราเจอเขาเช่นเวลาเข้ามาเยี่ยมเราเราก็ทำทานเขาถามเขาว่าสบายดีหรือมีอะไรจะให้ช่วยเหลหรือไม่เป็นต้น เช่นพอเข้ามาก็เกิดความกลัวอยากจะให้เขาไปไล่เขาไปอย่างนี้ก็ไม่ได้แทนนี่ต้าคำ ถ, ถามจากคุณวรพงศ์ครับการรับพิธีกา ร, กราหลวงปู่ไม่อยากเกิดอีกต้องทําบุญอย่างไรครับก็ต้องทําต้องสละเงินทองให้หมดไปแล้วก็ไปบวช ห, หรือศีลไปบวชเห ม, นมอนพระพุทธเจา้ารับประกานหนะ้าถ้าทาแบบพระพุทธเจ้าก็ไม่เกิดไม่กลับมาเกิด พระเจาประทับบุญด้วยการสลาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินเท่าแล้วก็ไปบวชอยู่6กปีก็ได้ปัจรู้เป็นพระอุจจาได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้คำถามจากคุณเจพีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์สามีภรรยาทำบุญตักบาตรร่วมกันทุกวันพระถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากไปก่อนจะได้ผลบุญอย่างไร คือได้อยู่แล้วทุกครั้งนี้ทําอุญนี้บุญสะสมเข้าไปในใจของเราอยู่แล้วของกายทังหมดคาถามจากคุณเปย์ตองทีวีครับถ้าเราเล่นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าการยิงปืนนี้บาปไหมครับการเล่นไม้บาปครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราปลุกฝังความคิดที่ไม่ดีไว้ในใจแล้วถ้าเกิดเราเกิดอาการโกรธขึ้นมาลราอาจจะเอาวิธีเหล่านี้มาระบายความโกรธของเราก็ได้ เล่นทางที่ดีไม่ควรที่จะเล่นเกมแบบนี้ควรจะเล่นเกมแบบแผ่เมตตาดีกว่ามีเกมแผ่เมตตาหมเกมช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ไหมเวลาเขาตกทุนได้ยากเดือดร้อนเพราะมันเป็นการสอนใจให้คิดไปในทา ง, งนั้นถ้าเราคิดไปในการฆ่ากันเวลาที่เกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็จะทําให้ทําให้เราฆ่าคนได้งายแต่ถ้าเราทําเรามีเกมให้เรา แผ่เมตตาให้เราให้อภัยเราก็ซ้อมแผ่เมตตาซ้อมให้อภัยพอเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็จะได้ระ ง, งับความโกรธได้คําถามจะคุณมลครับพระอาจารย์เจ้า ค, คะา เ, าคาเวลานั่งสมาธินา น, านทําไมน้ําลายเต็มปากเราต้องแก้ยังไงดีเจ้าคะพระอาจารย์ก็คือเข้าไปน้ำมันเป็นปากก็เกิเวลาที่เราเลิกนั่งแล้วแต่เวลาที่นั่งอย่าไปสนใจนะมันจะเต็มปากแล้วเนื่องเพรมัน ให้เราภาวนาอยู่กับพุโทโธอยู่กับการดูลมหายใจไปถ้ามันจะไหลออกมาหน่องปากก็ปล่อยมันไหลไปอย่าไปทำอะไรอย่าไปขยับร่างกายอย่าไปขยับปากอะไรทั้งสิ้นให้เราอยู่กับการภาวนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเลิกภาวนาแล้วเราก็คืม น, น้ำลายกลับเข้าไปได้ไม่เป็นปนัญหาแต่ต้องทำตอนที่เราเริมทำสมาธิแล้วในขณะที่เราทำสมาธิอยู่ไม่ควรจะขนน้ำลาย คำถามจากคุณกิกกี้สมัยครับรนัพัฒการพระอาจารย์เจ้าข่ายากสอบถามคนที่มีบารมีคือคนที่เคยสร้างกรรมดีไว้ใช่ไหมคะใช่บารมีก็คือกรรมดีสามสิบประการด้วยกันคือ1ทาน 2, สองศีลทานบารมีศีลบารมีเมฆขมารบารมีคือการการออกบวชเมฆขมารบารมีอุเบกขาบารมีก็คือการนั่งสมาธิได้ฌานก็จะได้อุเบกขาบารมี ปัญญาบา ร, รมีก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นตายังเห็นอริยสัจ ส, สิเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เขาได้สะสมได้ทำมาในอดิตชาติมันก็เลยเป็นเป็นบา ร, รมี ส, ส่งเสริมให้เขาได้ทำความดีไปเรื่อยๆคำถามจากคุณคิดดีได้ดีครับเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีจิตว่างจิตที่ไม่คิดอะไรคือยังไงครับก็ต้องนั่งสมาธิ เราก็ต้องมีสติคอยพวบคุมจิตมาให้คิดดังนั้นเรงนีบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วถ้าสามารถทำได้ไม่ไ ม, ไม่เคลิมคลาดสติเดี๋ยวจิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้วตอนนั้นเราก็จะเห็นว่าจิตว่าเพราะจิตไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นคำถามจากคุณสุริยาครับน้อมกราบธรรมศการพระอาจารย์ กลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีศรัทธาที่เรียกว่าอจลรศรัทธาเจ้าคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็ต้องปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปจะมีศราาทัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เต็มร้อยเป็นอาจาัจฉริศรัทธาขึ้นมาถ้ายังไม่บรรลุถึงขั้นนั้นศรัทธายัางมีโอกาสที่จะสืบได้ เช่นเวลาเราเห็นพระสงฆ์บางรูปประกอบตัวเองไม่ดีเราก็อาจจะเสีอสาายอมศรัทธาในพระสงฆ์ขึ้นมาก็ได้แต่เราไม่เข้าใจว่าพระสงฆ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงพระสงฆ์ที่แท้จริงต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถ้าอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วความประกอบตัวเอจะสวยงามจะไม่ด่างพร้อยจะไม่เป็นที่ตาหนิติดเตียนของโลก ไ, กได้อะไร คำถามจะควรอภารัะครับควรหลับตาหรือลืมตาเวลานั่งสมาธิคะควรจะหลับตาเพราะจิตจะได้เข้าสูสมม่ความสงบได้ถ้าลืมตาจิตยังค้างอยู่ที่ตาอยู่จิตยังค้างอยู่ที่ตาที่รูปที่เห็นอยู่มันก็จะไเข้าไปข้างในไม่ได้ดั้นั้าต้องปิดทวารทั้งห้าปิดตาปิดหูปิดจะหูกปิดลิ้นแต่เราไม่ต้องปิดเลยแต่ว่าเราอยากไปให้อยากไปใช้มัน อย่าไปฟังอย่าไปดมกิ่นอย่าไปวิ่งก็อยากไปดูให้เราดูสติดูลมหายใจดูพุโทโธไปจิตก็จะเข้าสูาส่ความสงบได้คําถามจากคุณเล็กกี้ครับการธรรนัส ก, การพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามเพิ่งได้บวชชีมาเกือบหนึ่งปีพยายามนั่งสมาธิหัดนั่งเองแต่นั่งไม่ได้เลยไม่สงบเลยไม่อยากนั่งคงได้แต่รักษาศีลดทำทําทาน กา yes. รที่เราภาวนาไม่ได้การบทชีนี้จะบาปไหมค้าสัตว์แล้วควรจะเรื่อปฏิบัติอย่างไรครับก็ควรที่จะไปศึกษาจากผู้ที่รู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิเดิมเพราะว่าบางทีมันต้องมีครูบาอาจารย์สอนเหมือนกับเหมือนกับสิ่งอื่นการกีฬาการตีกอฟการตีเป็นความการอะไรถ้าเราหัดตีเองกับมีครูสอนนี่มันจะต่างกันถ้าเรา ภาวนาไม่ได้ก็เราไปหาสําน no ักที่ก็มีการสอนนิธีนั่งสมาธิอยู่คําถามจากคุณรุ่งเดืองด้วยซับครับนวัตสการครับอาการเสียงดังคล้ายจิ้งหรีดจักจันได้ยินตลอดในชีวิตประจำวันแม้ไม่ได้ทําสมาธิคืออะไรครับและจะทําให้หายไปได้ยังไงเพราะเป็นมาสามปีวงเล็บบอกว่าถ้าไม่ใช่อาการประสาทหูเสื่อมก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มันมาคู่กับมาอยู่ในใจเราแล้วกัน เปนสิ่งเป็นอนัตาเราไปห้ามันไม่ได้ก็ป่อยมันอยู่ไปตามเรื่องของมันถ้ามันไม่มาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายอะไรเราก็ไม่ต้องไปยุ่งถ้าเราอยากให้มันหายก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจสงบเวลาใจสงบมันก็จะหายไปคุณสุพันณหงษ์ครับน้ำกลับเรียนถามเจ้าค่ะถ้าไม่มีห้องพระการเอาพระพุทธรูปไว้ในห้องนอนเป็นการไม่สมควรและบาปหรือไม่เจ้าค่ะ ไม่บาปเราไว้ที่ไหนก็นได้ไว้ที่นอกที่ห้องรับแขกไว้ที่ไหนก็ได้ขอให้ตั้งอยู่ในที่มันมันมสูงและเหมาะสมอย่างนี้คาถามจากคณแสงวันครับพระอาจารย์การที่เราซื้อของจุนเจือพี่น้องของเราเองเป็นการทําบุญหรือเปล่าคะและก็ทําทุกเดือนเลยค่ะนะวันสการพระอาจารย์ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเป็นการให้ทานทํากับคนที่เราไม่รู้จักก็ได้ คนยากคนจนเช่นตอนนี้มีคนหยาด้นอนตกงานไม่มีข้าวกินแล้วก็เอาหารอาหารไปจากกด้นี้นก็เป็นการจุนเจอือเป็นการทำอย่างไรคําถามจะคุณน้ําวันครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายคำว่าเจโตวิมุติและปัญญาวิมุตเจ้าคขาและเวลาจะจบต้องปัญญาวิมุตเสมอใหม่เจ้าขะคงต้องไม่อยู่ในชานใช่ไหมเจ้าขะ คือเท่าที่ได้ได้ได้ได้ยินได้ฟังมาเน่ยคือการบัญญรติธรรมได้นี้ต้องมีทัานเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์คือเจโตวิมุตต์นี้หมายถึงสมาธิวิมุตต์แบบชั่วคราวด้วยสมาธิก่อนแล้วก็ไปเจริญปัญญาเพื่อให้ได้ปัญญาวิมุตต์ต่อไปงั้นที่นี้เช่นท่านว่าบางคนถนัดเจโตก็มายถึงว่าบางคนนี้เก่งทางสมาธิ ทางกรนี้ถนัดทางปัญญาก็าเลยว่าเป็นปัญญาวมุเป็นมุดแต่ความจริงแล้วต้องมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาถึงจะวีมุติดได้แต่ว่าผูที่มีเจตเราไม่มุดอาจจะมีมีความรู้พิเศษเช่นมีตาที่ขูดทิศอย่างนี้เป็นตน้นได้แต่พวกเจตเราไม่มุดวพวกปัญญาไม่มุดคือพวกที่สแสดงธรรมได้อยา่างกว้างขวางแสดงธรรมได้อยา่อยางแยบขาย เราก็เรียกวกนี้่าเป็นพวกปัญญาวิมุตต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะวิมุตต์หรืาจะหลุดพ้นได้ในทางวิมุตต์ต้องหลุดพ้นด้วยทั้งสมาธิและด้วยปัญญาสมาธิก็หลุดพ้นได้ชั่วคราวถ้าจะทําให้การหลุดพ้นเป็นการหลุดพ้นอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาคําถามจากคุณสุภษรครับอยากทราบว่าเวลาของโลกมนุษย์กับโลกทิพย์เท่ากันไหมคะเวลาในโลกทิพย์นี่มัน เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับันไม่เท่ากันเวลานอนหลับนี้เราอาจจะคิดว่าแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาที่ไหนได้สิบขั้วโมกบาลก็แล้วนีนถ้าจะถามว่าเท่ากันไหคือคนจะตอบว่าไม่เท่ากันคํถาถามจากคุณอัถพลครับเวลานั่งสมาธิเอามือวางบนเข่าได้ไหมครับได้วางไว้ที่หน้าตาก็ได้หน้าแต่เรานั่งอยู่างไท่าน คำถามจากคุณอุทุมพรครับขอรบกวนถามว่าเวลานั่งปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มและบังเอิญมีเพื่อนร่วมนั่งปฏิบัติธรรมด้วยเขาเกิดอาการร้องไห้หายใจแรงและก็นั่งกราบพระอยู่ตลอดเขาเป็นอะไรคะพอเสร็จจากปฏิบัติแล้วได้ถามเขาเขาบอกดีใจที่ญาติพี่น้องมารับส่วนบุญค่ะจริงหรือคะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะมันก็เป็นความรู้สึกของเขาซึ่งถ้าเราไม่ไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะการนั่งนี้เราไม่ต้องการที่จะไปรับรู้เรื่องอะไรอยู่แล้ว เรื่องการทําใจของเราให้สงบเท่านั้นแต่ใจของเราอาจจะเผอสติแล้วปล่อยให้ไป เ, เพิ่มฝันขึ้นมาก็ได้นีนก็เป็นเรื่องของเข า, เาถามว่าคนรยานั่งแล้วให้มีเห็นอย่างที่ก็เห็นหรือไม่วาไม่ควรควรจะให้มีสติกำกับใจเพื่อให้ใจเข้าสู่ความว่างความสงบจะดีกว่าครับคําถามจากคุณใบไม้ในกํามือครับ การเปลี่ยนศาสนาผิดไหม่เจ้าคะจากศาสนาอื่นมาเป็นพุทธค่ะก็เหมือนกับการเปลี่ยนรถยนต์นะเราจะเปลี่ยนรถยนต์จากรถรถที่ดีกว่าไปสู่รถที่ไม่ดีกว่ามันก็ก็ไม่เปลี่ยนดีกว่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากรถที่เก่ากว่ารถที่ไม่ดีไปสู่รถที่ดีกว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนที่ที่ดีกว่านั้นศาสนานี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาจิตใจของพวกเรานี้ไปสู่จุดหมายปลายทาง แต่เร า, าศาสนานี้มีจุดหมายปลายทางไม่เท่ากันเร า, าศาสนาก็ส่งไปถึงแค่สวรรค์เร<ะ>มาศาสนาก็ส่งไปถึงพระ น, นิพพานเน่อถ้าเรานับถือศาสนาที่ส่งให้เราไปแค่สวรรค์เราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องเปลี่ยนาศาสนาเปลี่ยนยอดยนดที่จะพาเราไปถึงพระนิพพานได้แต่ถ้าเรามีาศาสนาที่พาให้เราไปถึงพระนิพพานแล้วแต่เรากลับไปเปลี่ยนไป เ, าเอ า, าศาสนาที่พาให้เราไปถึงแค่สวรรค์ อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนที่ขาดทุนนั่นเองเปลี่ยนได้อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่ต้องดูว่าเปลี่ยนท่านดีกว่าเก่าหรือไม่ถ้าไม่ดีกว่าเก่าอย่าไปเปลี่ยนคําถามจากคุณอุสรีครับกราภะอาจารย์ค่ะหนูโอนปัจจัยร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระและอุทิศบุญเจาะจงให้คุณพ่อที่เพิ่งล่วงลับพ่อหนูจะได้รับบุญไหม่เจ้าคะก็ขึ้นอยู่กับฐานะของพ่อว่าท่านรอรับส่วนบุญหรือเปล่า ถ้าก็มีบุญมากพ่อก็ไม่ได้มารอรับผลบุญนั้นได้เพราะพอไปรับผลบุญที่ท่านได้ทําไว้แล้วแต่ถ้าท่านไม่มีผลบุญเลยไม่ได้ทำบุญเลยท่านก็อาจจะมารอรับผลบุญนั้นก็ได้คำถามที่คุณมลครับาการทำพิธีการพระ อ, อาจารย์ค่ะจะแก้การกลัวผีได้อย่างไรคะก็พิจารณาว่าผีนี่คืออะไรผีก็คือร่างกายที่ไม่หายใจนั่นเอง ร่างกายไม่หายใจเท่านี้กผีหรือเปล่าเราก็อยู่กับผีมาตั้งแต่เกิดเลยเราก็อยู่กับร่างกายมาเพียงแต่ว่ายังมันยังหายใจอยู่เท่านั้นเองพอไม่หายใจมันก็กลายเป็นผีไปละแล้วเราไปกลัวทำไมเราอยู่กับมนันมาตั้งแต่เกิดแล้วจะไปกลัวผีได้ยังไงเอ็นนอกจากผีที่เราจินตนาการวาดภาพขึ้นมาเองซึ่งมันไม่มีคือแต่เราไปวาดภาพแล้วก็ไปกลัวกับภาพที่เราวาดขึ้นมา เดีภาพที่เขาว่านมาหลอกเราเช่นเวลาเราดูภา พ, พ ย, ายนตร์น่ากลัวต่างๆคนที่เขาว่าถ้าพเหล่านี้เขาก็ไม่เคยเห็นผีเขาไม่มีหรอกผีจริงๆที่ที่เป็นดวงวิญญาณนี้ไม่มีไม่ได้เป็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาะฉั้นผีที่เราเห็นด้วยขึ้นได้กับตาเราก็คือร่างกายของพวกเรานี่ยนะเวลาที่ร่างกายของวเราตายไปเขาเรียกว่าผีเยห็นเราอยู่กับผีมาตลอดเวลาทำไมเราไม่เห็นกลัว แต่พอเวลาเรามานั่งคิดถึงสิ่งที่เราวาดภาพขึ้นมาเราเข้าไปกลัวมันก็เป็นเพียงแต่การวาดภาพของจิตใจของเรานั้นไม่มีอะไรน่ากลัวสักสองคถามนะครับอาจารย์ครับาจากคุณเจเล็กครับกาธามัสการเจ้าค่ะถ้าถือศีลอุโบโสถที่บ้านหนึ่งวัน1คืนและกลางคืนนอนในห้องพระจะบาปไหมเจ้าค่ะไม่บาแบบ ไ, ได้บุญเลยทานถือศีลก็ได้บุญ จะคุณอนุสอนครับขอโอกาสขอรับสีสมาธิปัญญาที่บริสุทธ์แท้จริงในพระพุทธศาสนาต้องปฏิบัติพรหมวิหารสี่ไปพร้อมกันเลยเช่นไรขอรับขอบคุณที่เมตตาครับ <c oughs> คือการปฏิบัติพร้อมวิหารสีก็เป็นการการเจริญสีสมาธิปัญญานี่เองเพราะสีก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อืการไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนทําให้ทำร้ายผู้อื่น ว่าเลยว่าเป็นการรักษาศีลส่วนสมาธิก็คือการทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาเราก็จะได้อุเบกขาขึ้นมาอย่มมาพรหมฐานศีกก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้อาจารย์มีคนถามว่าอยากไปปฏิบัติธรรมที่วัดครับของพระ อ, อาจารย์ถ้าหมดโรคโควิดไปแล้วสามารถไปได้ไหมครับ ได้สามารถติดต่อกับทางวัดได้ที่ทางวัดเขาจะมีที่พักให้อยู่ปฏิบัติได้ครัง้งละไม่เกินเจ็ดวันแล้วเราติดต่อกับทางวัดอยู่สำนัก ง, ง, งานมีมีคาราวาเป็นผู้ดูแลเรื่องรานหล่านี้อยู่ก็ติดต่อแล้วก็เขาให้จองที่พักได้ตร ง, งนีแ้แต่ช่วงนี้มีอยู่ไหมครับอาจารย์หรช่วงนี้คนไอหมดเลยให้ค่ะว่าจะเปิดต้นเดืนอนตุลาคม แต่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบสองเข็มก่อนถึงจะรับพข้าไปครับผมกำลังวางแผนว่าจากเปิดต้องเดือนตุลาคะครับอาจารย์อีซักคำถามนะครับผมพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกกับพระเจ้าต่างกันอย่างไรครับคือพระสำนักสามพุทธเจ้ากับพระปัิเจกคับพทธเจ้าเนี่ยคือพระที่บรรลุแล้วสอนกับพระที่บรรลุแล้วไม่ได้สอน พระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เอาธรรมะที่ท่านได้บรรลุมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สามโลกส่วนเอาปฏิเจตกับพระพุทธเจ้าท่านบรรลุแล้วท่านไม่ได้สอนใครก็เลยถึงเอาปฏิเจตกับพระพุทธเจ้ามีทานนี้ใช่ไหนี้สำหรับท่านนี้ของกาดพระอาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังธรรมด้วยกันในเฟซบุ๊กแปดร้อยสิบสามท่าน ใน YouTube มีหกร้อยสองะครับพ้าสิบเก้าครับรวมวันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยสาสิบสี่คนที่ได้ฟังธรรมด้วยกันในวันนี้ครับอาจารย์ครับข้าาบอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ ข, าขอให้ท่านจำเอาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน้าเวลาท่านทั้งหลายและคุณหมอไปเพียงเท่านี้นะแล้วโอกาสหน้าถ้าไม่มีอะไรขัดข้อง้วคงจะได้พบกันอีก ใ, ในนวันอาทิตย์นะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคขอลาไปก่อน